หลังจากวันที่คุณเปรมเป็นลมสิ้นสติในวันสวรรคตของล้นเกล้ารัชกาลที่หกคุณเปรมก็เจ็บกระสาะกระแสะอยู่หลายวันจริงๆก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรมากนอกจากว่านเหน็ดเหนื่อยเกินกว่าปกติมาระยะหนึ่งความเหน็ดเหนื่อยเมื่อมากระทบกับความเศร้าโศกเสียใจอย่างแรงทำให้ร่างกายของคุณเปรมล้มเจ็บลง ก็เป็นภาระของพลอยที่จะต้องรักษาพยาบาลในช่วงแผ่นดินนี้คือปลายแผ่นดินรัชกาลที่6ที่กำลังจะผ่านไปนี่นะคะพลอยรู้สึกว่าวันคืนมันล่วงเลยไปโดยแทบจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวพลอยเอง นับตั้งแต่ผลัดแผ่นดินใหม่เป็นแผ่นดินที่สามในชีวิตหรือย่างเข้าสู่รัชการที่เจ็ดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นั้นก็ดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นในลักษณะที่รวดเร็วยุ่งเหยิงสับสนอนละเวงจนบางครั้งพลอยแทบจะไม่สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์นั้นๆได้ถูกต้อง ในขณะที่เหตุการ์การเมืองก็เต็มไปได้วยความอย่างที่บอกว่าสับสนอนละเวงจนกระทั่งพลอยก็จับต้นชนปลายไม่ถูกเหตุการ์การบ้านก็ต้องมาเจอกับคุณเปรมที่สุขภาพไม่ดีล้มป่วยกระสอบกระแสบต่อมาแม้ว่าคุณเปรมจะหายเจ็บแล้วพลอยก็ยังไม่ได้หมดความวิตกกงังวล เพราะว่าต้องคอยระวังคอยมองตามคุณเปรมอยู่ด้วยสายตาที่เป็นห่วงและนับตั้งแต่วันสิ้นแพ่นดินก็ดูเหมือนว่าคุณเปรมจะแก่ลงไปถนัดตาคุณเปรมเลิกสนใจกับความเป็นอยู่ของตัวเองการกินการอยู่การแต่งตัวแม้แต่ความสะอาดทางร่างกายเล็กๆน้อยๆคุณเปรมก็ปล่อยประละเลยมิได้ใส่ใจเหมือนก่อนใจของคุณเปรม ดูจะหมดอะไรตายยากหมดความสนใจในสิ่งแวดล้อมคุณเปรมเคยเป็นคนที่สนใจต่อชีวิตของตนเองและชีวิตของคนอื่นๆการกระทาของคุณเปรมแต่ก่อนมาพลอยรู้ว่าเป็นไปโดยมีความปรารถนาที่จะรุ่งเรืองก้าวหน้าและความประสงค์ที่จะแสดงตนเองออกให้เป็นที่ปรากฏขณะเดียวกันคุณเปรมก็สนใจในเรื่องของคนอื่น ก็ใครทำอะไรที่ไหนใครจะดีจะช่วยอย่างไรแล้วก็นำเอาการกระทำคุณสมบัติและผลของการกระทำเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับการกระทำผลการกระทำและคุณสมบัติของตนเองทั้งหมดนี้ก็ทำให้คุณเปรมมีความสนใจต่อชีวิตแล้วก็มีความกระหายต่อการเรียนรู้ใหม่ๆนะคะและก็เป็นกำลังผลักดันให้ชีวิตของคุณเปรมเนี่ย ดำเนินต่อไปได้เรื่อยๆแต่ตอนนี้ความกระหายนั้นมีเหลือแต่น้อยตอนเองจะเป็นอย่างไรคุณเปรมก็มีได้สนใจเหมือนแต่ก่อนคนอื่นจะเป็นอย่างไรคุณเปรมก็มีได้สนใจเช่นเดียวกันแต่ก่อนนี้คุณเปรมอยู่ในฐานะเป็นผู้ชี้ชวนให้พลอยดูโลกดูเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงสิ่งแปลกๆใหม่ๆต่างๆที่เข้ามาหรือว่าที่เกิดขึ้น แล้วก็เป็นคนที่เล่าให้พลอยฟังพลอยเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะผู้รับฟังแต่ตอนนี้นะคะฐานะนั้นได้เปลี่ยนกลับกันไปพลอยกลายเป็นผู้เล่าเป็นผู้ชี้ชวนให้คุณเปรมมองเหตุการณ์ต่างๆคุณเปรมกลายมาเป็นผู้ฟังแต่ก็ฟังโดยไม่ได้สนใจอะไรมากมายเท่าไหร่คุณเปรมเคยบอกว่า พระเจ้ายูหัวราชการที่หกนั้นเป็นผู้ที่คุณเปรมมอบความรักความเคารพ บ, บูชาและชีวิตจิตใจถวายไว้จนหมดสิ้นตอนที่พรอยได้ยินพลอยก็เชื่อเพียงส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่สงวนเอาไว้ในใจยังไม่ปักใจเชื่อเพราะรู้สึกว่าคุณเปรมอาจจะพูดไปด้วยอารมณ์และคารมแต่เมื่อพระเจ้ายูหัวสวรรคตแล้ว พลอยจริงได้รู้ว่าสิ่งที่คุณเปรมบอกกับพลอยนั้นคือความจริงใจเป็นความจริงจากใจของคุณเปรมโดยแท้และสิ่งที่พลอยรู้ไม่ถึงก็คือความจริงอีกอย่างหนึ่งซึ่งคุณเปรมก็ไม่รู้ความจริงนั่นก็คือเมื่อผัดแผ่นดินจากรัชกาลที่ห้ามาเป็นรัชกาลที่หกคุณเปรมยังเป็นคนหนุ่มอยู่ในวัยที่แข็งแรง เต็มด้วยกําลังใจกําลังกายที่จะเริ่มชีวิตพร้อมที่จะรับบทเรียนจากชีวิตและก็นําบทเรียนนั้นๆมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตแต่เนื่องจากการอบรมที่คุณเปรมได้รับมาแต่ก่อนคุณเปรมจรึงนําชีวิตนั้นผูกมัดไว้กับองค์พระมหากษัตริย์ผู้กรองแผ่นดินแล้วก็ปรับทางเดินของชีวิตให้เข้ากับแนวพระราชประสงค์และพระราชนิยมทุกประการ ความเห็นและความปรารถนาส่วนตัวนั้นคุณเปรมไม่เคยคำนึงถึงด้วยเหตุนี้เมื่อผลัดแผ่นดินใหม่ครั้งหนึ่งคุณเปรมก็ถือว่าชีวิตของตนเปลี่ยนแนวทางไปครั้งหนึ่งจำต้องปรับปรุงแล้วก็บิดผันหันชีวิตให้เข้ากับแนวที่ถูกตั้งขึ้นใหม่เมื่อผลัดแผ่นดินใหม่รัชกาลที่ห้าสิ้นไปขึ้นรัชกาลที่หคุณเปรมยังหนุ่มแล้วก็แข็งแรงพอ ที่จะเริ่มการปรับปรุงเข้าแนวใหม่แล้วก็เริ่มชีวิตใหม่ระยะเวลา15ปีของรัชกาลที่6เป็นระยะที่คุณเปรมเห็นว่าชีวิตเรียกว่าได้ชีวิตมาอย่างสมบูรณ์นะคะและก็ถือว่ามีความพอใจในชีวิตนั้นและก็อย่างอานไลไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงชีวิตนั้นเลย แต่คุณเปรมก็รู้ดีว่าถ้าจะบำเพ็ญชีวิตต่อไปในรัชการที่เจ็ดให้ถูกต้องก็จะต้องปรับวิธีแห่งชีวิตให้เข้าหาระดับใหม่รู้จักคนใหม่ใหม่ศึกษาชีวิตใหม่ถ้าจะพูดสั้นๆคือต้องเริ่มชีวิตใหม่แต่ตอนนี้ตอนนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนเพราะว่าคุณเปรมแก่เกินไปแล้วก็มีกำลังน้อยเกินไปที่จะทาเช่นนั้นได้ สำหรับพระเจ้าอยู่หัวองค์ใหม่นั้นคุณเปรมรู้ว่าตนมีความจงรักภักดีมิได้เสื่อมคลายแต่กำลังใจที่จะสนองพระเดชพระคุณนั้นก็เสื่อมลงตามวันวัยแห่งสังขารในระยะนี้พลอยจึงต้องเป็นผู้คอยชักชวนให้คุณเปรมสนใจในสิ่งต่างๆแต่ความพยายามของพลอยก็ไม่ค่อยจะได้ผลนักค่ะ เพราะว่าคุณเปรมได้แต่นิ่งฟังถ้าถ้อยคำบังเอิญเกี่ยวพันไปถึงเหตุการณ์บางอย่างในแผ่นดินก่อนคุณเปรมก็จะเบือนหน้าหนีแล้วก็ถอนใจใหญ่เหมือนกับไม่อยากจะรื้อฟื้นเอาเรื่องเก่าๆามานึกคิดอีกต่อไปสิ่งที่คุณเปรมยังสนใจเหมือนแต่ก่อนหรืออาจจะมากกว่าแต่ก่อนหรืออยู่เพียงอย่างเดียวค่ะนั่นก็คือการเลี้ยงมา้า และก็การขี่มา้าทุกวันนี้คุณเปรมจะเข้าไปในวังพอเป็นพิธีเพราะพระบรมศพยังอยู่ที่ปราสาทแต่แล้วคุณเปรมก็จะรีบกลับบ้านมาครุกอยู่กับคอกมา้าเช้าเย็นคุณเปรมก็จะขึ้นม้าตัวโปรโดออกขี่ไปทางคลองเตยหรือทางสวนลุมพินีซึ่งได้กะไว้ว่า จะเป็นที่มีงานฉลองราชสมบัติพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกครบสิบห้าปีแล้วก็เป็นงานใหญ่ที่ได้ลงมือปลูกสิ่งก่อสร้างไปบ้างแล้วแต่บังเอิญเสด็จสวรรคตเสียก่อนงานนั้นก็เลยงดไปคุณเปรมมักจะควบม้าหายไปจากบ้านคนเดียวไม่ชอบให้ใครติดตามกลับมาถึงบ้านก็เหงื่อโซมตัวและเหงื่อของมา้าก็เรียกว่า ทั้งเหงือตัวแล้วก็เหงือมา้าโซมไปพร้อมๆกันนะคะทั้งมา้าแล้วก็ทั้งคนขี่มา้าพลอยเห็นแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าคุณเปรมอายุมากแล้วเกรงว่าสักวันหนึ่งอาจจะพลาดพลั้งเป็นอันตรายแต่พลอยก็ต้องนิ่งไม่กล้าตักเตือนเพราะเห็นว่าการขี่ม้าออกเที่ยวยังเป็นสิ่งเดียวที่คุณเปรมชอบและทาให้คุณเปรม สบายใจแล้วก็มีความสุขขึ้นมาได้บ้างเพราะความตกใจจากการที่ในหลวงสวรรคตเพราะความกังวลในเรื่องความเจ็บไข้ของคุณเปรมเหตุการณ์ต่างๆที่ประเดประดังเข้ามานั้นทำให้พลอยไม่มีเวลาที่จะคิดคานึงถึงระยะเวลาที่ผ่านไปเผลอตัวไปไม่กี่มากน้อย ตาอัดก็เดินทางกลับจากอังกฤษเข้ามาถึงไทยตาอัดส่งข่าวมาว่าจะเดินทางด้วยเรือไฟมาถึงสิงคโปร์แล้วก็จะลงเรือจากที่นั่นขึ้นรถไฟมาลงที่สถานีบางก อ, อกน้อยที่กรุงเทพเมื่อถึงวันเวลาที่ตาอัดจะมาถึงพลอยก็ไปปรากฏตัวที่สถานีบางก อ, อกน้อยพร้อมด้วยคุณเปรมและพี่น้องทุกคน ครั้งนี้พลอยไปเหมือนกับเหมือนกับความฝันแล้วก็ไปสะดุ้งตื่นจากฝันตอนที่รถไฟเข้าเทียบชานชลาและตาอัดเพ่นจากรถไฟมากอดพลอยไว้แน่นเสียงตาอดหัวเราะและเสียงคุณเปรมคนอื่นๆหัวเราะและทักทายกันให้ลั่นไปพลอยเงยหน้าขึ้นมองหน้าลูกทางน้ำตาตาอดเติบโตสูงขึ้นเป็นหนักหนา พลอยซึ่งยืนอยู่ชิดตัวต้องแงนหน้าขึ้นดูจึงจะแลเห็นหน้าตาออดได้หน้าตาของตาออดดูขาวขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีร่องรอยของหนวดเคราขึ้นเคี้ยวแต่วิธีพูดวิธีหัวเราะตลอดจนสายตาที่มองดูพลอยและคนอื่นๆนั้นทำให้เห็นว่าตาออดยังเป็นตาออดลูกของพลอยคนเดิม ระยะเวลาร่วมสิบปีไม่ได้ทำให้ตาออดเปลี่ยนแปลงไปเลยในสาระสำคัญตาออดรวบตัวพลอยไปกอดอีกทีหนึง่งแล้วก็กระซิบว่านิ่งเสด็จเถิดแม่ทำขี้อ้อนไปได้ไม่อายคนเขาบ้างพลอยหัวเราะรีบเช็ดน้ำตาให้แห้งสนิทตาออดทักทายทุกคนอย่างสนิทสนมกราบไหว้คุณเปรมอย่างนอบน้อม พูดเล่นกับพ่อเพิ่มคุณเชยแล้วก็หลวงโอสถหันไปยิงฟันกับตาอั้นตาอน้นและประภัยที่มารอรับแล้วก็เดินเข้าไปเอียงแก้มจูบ ก, กับลูซินแบบญาติที่ดีของฝรั่งวันนี้เป็นวันที่พลอยเห็นคุณเปรมเบิก บ, บานเรียกว่าเบิกบานแล้วก็ดูมีความสุขเป็นครั้งแรกนะคะเสียงคุณเปรมพูดดังด้วยความดีใจเกินกว่าปกติว่าออดสูงกว่าพ่อเป็นกอง ไหนมายืนเทียบกันดูทีหรือจะสูงกว่ากันสักเท่าไหร่ต่ออดก็เข้าไปยืนข้างๆตามที่คุณเปรมสั่งพรอยก็มองดูด้วยความปลื้มใจว่าต่ออดนั้นสูงกว่าคุณเปรมประมาณสักฝ่ามือหนึ่งเห็นจะได้ระหว่างที่คนใช้กําลังขนของแล้วก็ยกของลงจากสถานีรถไฟนะคะเออลงจากรถไฟพรอยก็อดเหลือบมองดู ไปทางประตูรถไฟไม่ได้ว่าจะมีใครเดินตามตาออดอีกหรือเปล่านะคะมองครั้งหนึ่งก็ไม่เห็นมีอะไรมองครั้งที่สองที่สามก็ไม่เห็นมีอะไรตาออดเนี่ยจับสังเกตได้ก็อมยิ้มอยู่ในใบหน้าพอขนของลงจากรถไฟเสร็จเรียบร้อยทุกคนก็เดินไปลงเรือยนต์ที่คุณเพรมจัดมาเฉพาะเพื่อข้ามฟ้ากลับบ้านในเรือนั้นไม่มีใครนอกจากตาออดพลอยคุณเปรม แล้วก็ญาติพี่น้องที่ไปรับตะออสซึ่งนั่งอยู่กับพลอยก็เลยถามเบาๆว่าแม่พอใจหรือยังว่าลูกกลับมาคนเดียวไม่ได้เอาใครตามมาด้วยพลอยหัวเราะด้วยความโล่งอกเอื้อมมือไปบีบแขนแตะออสด้วยความพอใจเสียงตะออสพูดต่อไปว่าแม่อย่าเอะอะไป ที่อันเขากำลังมองมาทางนี้เดี๋ยวเขาจะโกรธเอาแต่พลอยก็รู้ว่าถ้อยคำที่พูดนั้นไม่มีใครจะได้ยินเพราะว่าเสียงเครื่องยนต์ในเรือเนี่ยดังกรบอยู่ตลอดเวลาครั้งนี้ญาตพี่น้องที่ไปรับตะอัสรรนีนเน่เนื่องจากว่ามีความอีหลักอีเหลือนะคะกับการที่ตะอั้นพาเมียหมากลับมาทุกคนก็ไม่รู้จะทายัางไงถูกก็เลยแยกย้าย สลายตัวกลับไปก่อนแต่ครั้งนี้เนี่ยทุกคนก็เรียกว่าอยู่ในอารมณ์ชื่นมืนมีความสุขนะคะตาลก็รับเชิญจากพรอยให้มากินข้าวกลางวันด้วยกันด้วยความยินดีพอถึงบ้านพลอยก็พาตาออดไปอาบน้ำผลัดเครื่องแต่งตัวความสุขของพรอยในวันนั้นดูเหมือนจะเต็มเปี่ยมถิงขีดสุดเพราะว่าได้ปฏิบัติต่ตอลูกดูแลลูก ซึ่งเพิ่งกลับมาถึงใหม่ๆด้วยตัวของตัวเองและด้วยความรู้สึกที่มีสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ไม่มีใครมากีดกันแก่งแย่งตะออสอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าป่าและกางเกงจีนที่พลอยหาไว้ให้กางเกงแพรนั้นสีดำด้วยยังอยู่ในระหว่างไว้ทุกพระปรมสศเสร็จแล้วตะออสก็มานั่งกินข้าวซึ่งพลอยหาไว้ให้ด้วยความหิวกระหายด้วยความ อ, ร, อร่อย สมกับที่ได้จากกับข้าวไทยไปนานทำให้พลอยกินไม่ลงได้แตะ่ะนั่งอมยิ้มมองดูลูกด้วยความอิ่มอกอิ่มใจชำเลืองไปดูคนอื่นที่นั่งกินข้าวอยู่ด้วยก็เห็นคุณเชยหลวงโอสดและพ่อเพิ่มก็นั่งอมยิ้มดูตะอดด้วยความพอใจเช่นกันตะอดกินข้าวอิ่มแล้วก็บอกว่า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปออสจะไม่ขอจากเมืองไทยไปไหนอีกจะขออยู่จนตายไปที่นี่เพราะจะหาบ้านเมืองไหนที่สุขสบายไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วก่อนไหนเขาว่าที่เมืองนอกอะสุขสบายนักไม่ใช่หรือพ่อออสพอเพิ่มถามขึ้นก็คงสุขสบายสำหรับคนที่ไปเที่ยวช่วคราวเท่านั้นล่ละครับคุณลุงแต่ถ้าจะอยู่กันจริงๆ การสู้ของเราไม่ได้ที่เมืองนอกถึงจะมีอะไรดีก็จะต้องรู้ตัวอยู่เสมอว่านั้นไม่ใช่ของเราแต่เป็นของคนอื่นพอมาถึงเมืองไทยก็เห็นว่าเป็นของเราไปหมดดินฟ้าอากาศถึงจะร้อนขนาดไหนก็เป็นของเรากลิ่นอายทั่วไปถึงจะเหมือนบ้างอะไรบ้างก็เป็นเครื่องบอกให้รู้ว่าเรามาถึงบ้านบ้านเมืองถนนหนทางไรนะ่นา ตลอดจนต้นหมากรากไม้ถึงจะรกบ้างไม่รกบ้างก็เพราะเราเป็นคนทําถ้าเราทําให้มันรกได้เราก็ทําให้มันหายรกได้รถไฟที่ผมนั่งมาแล่นเข้าเขตแดนไทยตอนดึกผมไม่เป็นอันหลับอันนอนได้แต่นั่งดูเมืองไทยดูแล้วดูอีกดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อจนรถเข้ามาถึงบางกอกน้อยไม่รู้ตัวจะมองไปทางไหนมันก็เย็นตาสบายใจไปทั้งหมด พอออดนีเป็นเอามากพอเพิ่มพูดเบาๆเหมือนกับจะรำพึงรำพันกับตัวเองเป็นอะไรมากเหรครับลุงเปล่าเป็นหลานของลุงเท่านั้นเองลุงก็คิดอย่างเดียวกันมานานแล้วอยู่เมืองไทยมาแต่อ้อนแต่ออกจนแก่ป่านนี้ไม่เคยนึกเบื่อเลยนั่งดูอยู่ได้ทุกวันแล้วก็ยังสนุกอยู่ทุกวันใครเข้ามาเล่าเรื่องเมือ ง, องนอกว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ หลุงไม่เคยเชื่อคารมเขาเลยจะเถียงเขาเอรักก็ไม่เคยไปได้แต่นิ่งฟังเขาไปเท่านั้นเองไหนพระออสลองเล่าไปที่เมืองนอกเมืองไทยมันผิดกันยังไงบ้างพระออสบอกว่าถ้าจะเล่ากันจริงๆปีหนึ่งก็ไม่จบครับแต่อย่างนี้ก็ล้ว ก, กันผมจะเล่าให้ฟังแต่เรื่องใหญ่ๆที่ผิดกัน เท่าที่นึกออกเดี๋ยวนี้ทั้งเมืองนอกและเมืองไทยก็มีทั้งคนมีแล้วก็คนจนแต่ที่เมืองนอกคนมีเขาก็มีจริงๆแต่คนจนเขาก็จนจริงๆคนมั่งมีที่เมืองนอกนั้นถ้าเขาไม่เห็นคนมั่งมีในเมืองไทยเขาก็คงจะต้องดูถูกว่าเราจนเพราะไม่ว่าจะเปรียบกับเขาทางไหนเราเป็นแพเขาไปทุกทางบ้านช่องที่เราอยู่ตลอดจนอาหารการกินเราก็สู้เขาไม่ได้ทรัพย์สมบัติก็ยิ่งแพเขาใหญ่ เพราะบ้านเราใครมีเงินแสนก็เรียกว่ารวยแต่ของเขามีกันเป็นสิบเป็นร้อยร้านทรัพย์สมบัติของเราตกทอดกันลงมาแค่ไม่กี่ชั่วคนแต่ของเขาตกทอดกันลงมาเป็นพันพันปีมันก็ต้องมากแต่คนจนของเขาก็สู้คนจนของเราไม่ได้แพ้กันหลุดลุย้ยเพราะของเราดินฟ้าอากาศช่วยให้อยู่ได้อย่างคนที่มีอาหารการกินก็หาง่ายและที่สําคัญนั้นก็คืออากาศเพราะเราเป็นเมืองร้อน จนจริงๆจะนุ่งผ้าขมา้าผืนเดียวนอนศาลาวัดเราก็อยู่ได้เย็นสบายดีซสอีกแต่ของเขาทําแบบนั้นไม่ได้ถ้าทําก็คงจะถึงตายจึงต้องหาเสื้อผ้าใส่กันหนาวแล้วก็หาไฟผิงบางทีห้องเล็กนิดเดียวอยู่ใต้ดินครึ่งหนึ่งคนจนก็ต้องลงไปเช่าอยู่เบียดกันอยู่ตั้งสิบกว่าคนหุงข้าวต้มแกงซักผ้าหลับนอนจะทําอะไรอะไรก็อยู่ในนั้น ตาต่างประตูจะเปิดก็ไม่ได้เพราะกลัวหนาวต้องอบกันอยู่อย่างนั้นน้ําท่าก็ไม่ต้องอาบเพราะแพงสตังพอเปิดประตูเข้าไปกลิ่นตัวคนและกลิ่นอื่นๆที่หมักหมมอยู่มันก็พุ่งออกมาเรากับใครมาตีหน้าแงเราได้ไม้พรองแต่ออดก็เล่ายาวเลยทีเดียวนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าอืมคนจนของเขาก็จนจริงๆ จ, จนแบบลำบากอัตคัดขัดสนจริงๆนะคะ แต่คนรวยของเขาก็รวยแบบโคตระระรวยคุณเปรมซึ่งนั่งฟังมานานก็ถามขึ้นว่าแล้วแกไปรู้มาได้ยังไงตาออดคือตาออดนี่เล่าละเอียดมากผมก็เที่ยวไปดูไปครับคุณพ่อคุณพ่อส่งผมไปเรียนเมืองนอกทั้งทีก็อยากจะเห็นให้มันทั่วๆคุณเปรมก็เลยสงสัยถามบ้างว่าแล้วผู้ดีเขาอยู่กันอย่างไร แกได้ไปเห็นบ้างหรือเปล่าอารมณ์ประมาณว่าไปดูแต่คนจนแล้วผู้ดีนี่สนใจเขาบ้างหรือเปล่าแต่ออ ก, ก็ตอบยิ้มๆบอกว่าก็เห็นอยู่มากเหมือนกันเล่า ว, ว่าเพื่อนฝูงที่เป็นลูกขุนนางอยู่มาหาวิทยาลายัยด้วยกันชวนไปอยู่บ้านเวลามาหาวิทยาลัยปิดซึ่งผู้ดีของที่นั่นก็อยู่กันอย่างวิจิตพิสดาร จะเอาอะไรจะเรียกอะไรได้หมดไม่มีอั้นแต่อ้อยบอกว่าผู้ดีอังกฤษเขามีบ้านใหญ่ๆอยู่นอกกรงุงเนื้อที่บ้านมองสุดลูกหูลูกตาตัวบ้านก็ราวกับปราสาทราชวังถึงเวลาเขาอยู่บ้านเขาก็เชิญแขกที่ชอบพอมาอยู่ด้วยอยู่กันไปก็เลี้ยงกันไปกลางคืนก็เป็นต้องแต่งราตรีใส่เสื้อเชิ้ตอกแข็งกินข้าวกันทุกคืนกลางวันก็เดินเล่นบ้างเล่นกีฬาบ้าง ออกยิงนกยิงกระต่ายหรือว่าตกปลาหรือมิฉะนั้นก็ออกขี่ม้าไล่หมาจิ้งจอกบ้างแล้วแต่ฤดูครับทำไมจะต้องไปขี่ม้าไล่หมาจิ้งจอกคุณเปรมสงสัยอีกเขาใช้หมาที่เลี้ยงไว้เป็นฝูงๆออกไล่ส่วนคนก็ขี่ม้าตามพอหมาไล่ทันก็กัดหมาจิ้งจอกตายเขาบอกว่ามันเที่ยวลักกินเป็ดกินไก่เอาก็ยิงเอาดรือดักเอาไม่ได้หรือ แล้วกันคุณพ่อถ้าทำอย่างนั้นก็ผิดวิสัยพูดีอังกฤษสิครับใครไปทำเข้าเขาเห็นเป็นบาปกรรมใหญ่โตโทษถึงไม่มีใครครบทีเดียวอูว่ะพูดดีอังกฤษนี่ยิ่งหมาตัวเดียวก็ถึงกับไม่ครบกันเทียวหรือเขาถือการเอาเป็นเอาตายเชียวครับเรื่องยิงนกตกปลาล่าสัตว์เขามีกฎมีเกณฑ์กันทั้งนั้นอย่างนกพวกไก่ฟ้าพวกนกกระทาเขาก็ยิงเป็นฤดูไม่ได้ยิงทั้งปี และจะยิงได้เฉพาะแต่นกที่กําลังบินเท่านั้นนกเดินอยู่บนดินหรือนกที่กําลังเกาะอยู่เขาไมาย่ยิงเป็นอันขาดบางทีนกมันเชื่องเพราะเขาซื้อไข่มาฟักเลี้ยงตั้งแต่ยังเล็กๆต้องส่งคนเข้าไปไล่ให้มันบินก็มีเออป่าสูงๆของเขาเห็นจะมีมากกว่าของเรานะพ่อออสเขาจึงได้ล่าสัตว์กันเยอะปล่าครับคุณลุงป่าเมืองฝรั่งนั้นผมไปเห็นทีแรกเขาต้องบอกถึงได้รู้ว่าเป็นป่า เห็นเข้านึกว่าเป็นสวนต้นไม้แล้วที่ว่าไปล่าสัตว์กันนะ่ะเขาไปล่ากันที่ไหนล่ะพอเพิ่มสักก็ที่ของใครใครก็ล่าอยู่ในนั้นสัตว์ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นนกเป็นปลามีเจ้าของไปหมดจะยิงได้เฉพาะเจ้าของหรือคนที่เขาอนุญาตสิิ์ยิงนกตกปลาในที่ดินเขาขายกันแพงๆ พ, พวกที่จะล่าสัตว์ได้ก็มีแต่ผู้ดีมีเงินเท่านั้นล่ะครับแล้วกัน แล้วพวกคนจนทำยังไงกันละ่ะคนจนอยากกินสัตว์ป่าก็ต้องแอบยิงแอบดักเอาปลาน้าจืดก็แอบตกแต่ถ้าเขาจับได้ก็ถูกปรับหรือติดตารางเพราะมีกฎหมายห้ามแต่ก่อนเมื่อไม่กี่สิบปีมานี้เองเขาวางโทษถึงประหารชีวิตเช่นนะครับพอเพิ่มฟังแล้วก็ยกมือท่วมหัวสาธุฉันไม่อยู่แล้วเมืองอังกฤษเกิดชาติใดฉันใดก็ขออยู่เมืองไทยเถอะ ไปอยู่ที่นู่นเป็นเศรษฐีก็ดีไปถ้าอยากจนคงลําบากแย่ผ yeah. ู้ตีเมืองนอกที่นะ้าพ่ออ๋อกิริยามันยาตเขาเหมือนกับเราไหมหรือว่าผิดกันมากคุณเฉยถามขึ้นบ้างนะคะถึงจะผิดกันก็แต่ในรายละเอียดบางอย่างเท่านั้นแหละครับเป็นต้นว่าเราไหว้กราบกันเขาก็จับมือหรือคํานับเรานั่งกับพื้นเขาก็นั่งเก้าอี้อะไรอย่างนั้นแต่ถ้าจะพูดถึงมารยาททั่วไป ก็เหมือนกันชั่วแต่ว่าคนอังกฤษเขาจะสำรวมมากกว่าเราสักหน่อยเท่านั้นเองเมื่อผมไปถึงใหม่ๆกิริยามารยาทที่คุณแม่หัดไปจากเมืองไทยใช้ได้ดีทีเดียวครับอือหือพลอยฟังแล้วนี่แทบจะกระโดดเข้ากอดจูบตาออดด้วยความดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าไม่เสียทีเลยที่ออดเกิดมาเป็นลูกแม่ได้ทนุถนอมเลี้ยงดูอบรมมาทุกอย่างถึงลูกจะไปไหนไกลแสนไกลก็ไม่มีลืมแม่ หรือลืมการอบรมที่แม่ได้ให้ไว้เสียงคนอื่นๆคุยกับตาออดอย่างรื่นเริงต่อไปอีกนานพรอยได้แต่นั่งกอดจูบลูกด้วยสายตาและด้วยหัวใจในส่วนของตาออดเองตาออดไม่อาจจะรู้ได้ว่าตั้งแต่กลับมาอยู่บ้านตนได้นำความสุขมาให้แม่มากน้อยแค่ไหนสำหรับพรอยนั้น ได้รับความสุขความพอใจจนเต็มเปี่ยมประมาณไม่ถูกทุกครั้งที่ตาอ๊อดวิ่งมาหาขอให้โจงกระเบนให้บ้างขอให้เปลี่ยนกระดุมเสื้อให้บ้างตลอดจนของของกินบางอย่างที่อยากกินเมื่อตาอ๊อดมาถึงเมืองไทยได้สักหน่อยคุณเปรมก็พาตาอ๊อดออกเที่ยวแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ที่คุณเปรมนับถือจากนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรต่อไปอีกตาอ๊อดคงอยู่ต่อไปที่บ้าน มีได้เข้าทำงานที่ไหนส่วนคุณเปรมก็ดูเนื่อยๆไม่ได้สนใจอะไรมากมายฝ่ายตะอัดก็มีได้กระตือรือร้นพอใจที่จะนั่งๆั่งนอ น, นอนอยู่กับบ้านและได้อยู่ใกล้ๆพลอยได้พูดคุยกับพลอยมีได้คิดถึงการข้างหน้าอย่างที่คนหนุ่มทั้งหลายควรจะคิดเพรายหยิบเงินให้ตะอัดใช้เสมอทีละร้อยสองร้อยซึ่งตะอัดก็ไม่เคยออกปากขอพลอยให้เท่าไหร่ก็ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อ พลอจะรู้ได้ว่าเงินที่ให้ไปนั้นหมดหรื อ, อยังก็ด้วยวิธีที่ต้องเดินดูเอาเองตาออดก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยรู้จักความสําคัญของเงินมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นซึ่งความจริงรายจ่ายส่วนตัวของตาออดก็ไม่มีอะไรมากแต่ถ้าใครมีทุกข์มีร้อนมาขอเงินไม่ว่าจะเป็นคนในบ้านหรือมาจากที่อื่นตาออดก็มักจะเทกระเป๋าให้จนหมดทุกครั้งไปและถ้าจะว่ากันด้วยใจจริง พลอยอยากให้ตะออดอยู่กับบ้านอย่างนี้ไม่มีกำหนดเพราะการที่มีลูกอยู่ในบ้านตลอดเวลาไม่ต้องมีธุระการงานที่ไหนนั้นทำให้พลอยอุ่นใจสบายใจอยู่มากแต่พลอยเองกลับต้องเป็นคนเริ่มคิดถึงการงานที่ตะอดควรจะทำต่อไปเพราะว่าตะออดเองก็ไม่ได้สนใจคุณเปรมก็ดูเหมือนเหมือนไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้พลอยก็เลยต้องออกมาเป็นตัวตั้งตัวตีนะคะในการที่จะให้คุณเปรมเนี่ยหางานให้ลูก วันหนึ่งคุณเปรมดูอารมณ์ดีพรอยก็เลยเอ่อยปากขึ้นว่าคุณเปรมเรื่องงานตาออดคุณเปรมคิดเอาไว้บ้างหรือเปล่าว่าจะให้ทำที่ไหนเราเคยพูดกันว่าถ้าตาออดกลับมาคุณเปรมจะเอาไปไว้ด้วยที่กระทรวงคุณเปรมถอนใจปล่อยแก้อยู่อย่างนี้ไปก่อนเถอะแม่พรอยอย่าเพิ่งไปคิดถึงมันเลยไอเรื่องการงาน ฉันเองก็ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรและจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ไม่รู้ฉันเองไม่ว่าอะไรหรอกเพราะใจฉันก็อยากจะได้ลูกเอาไว้ที่บ้านสักคนแต่ฉันเกรงว่าทิ้งไปนานจะไม่ดีออสยังหนุ่มควรจะได้เข้าทำการงานมีหน้ามีตากับเขาบ้างอ่ะแล้วเจ้าตัวเขาเองว่าอย่างไรล่ะฉันก็เห็นเขาเฉยๆแต่ก็ยังไม่ได้ถามเขาก็ลองถามออสเาดู ฟังเสียงเขาก่อนว่าจะว่าอย่างไรบ้างแต่ใจฉันกลับเห็นไปว่าเงินทองเราก็ยังพอมีอยู่พอที่จะเลี้ยงลูกไว้เฉยๆโดยไม่ต้องให้ทำการงานได้สักคนกระมังคุณเปรมอย่ากคิดอย่างนั้นจะดีกว่าถึงเราจะมีเงินมีทองสักเท่าไหร่ก็ควรจะหาการงานทำไว้อยู่เปล่าๆถือว่าพ่อแม่มีเงินเลี้ยงได้นั้นในที่สุดก็เสียคนไปทั้งนั้น พลอยพูดแล้วก็รู้สึกแปลกใจว่าเอดเดี๋ยวนี้นี่ตนกลับเป็นฝ่ายสั่งสอนคุณเปรมไปซะแล้วนะคะทีนี้พอพลอยไปถามตอตอสตออก็กลับหัวเราะแล้วก็บอกว่าก็แล้วแต่แม่จะเห็นสมควรลูกทำที่ไหนก็ได้ยิ่งไม่ต้องทำเลยก็ยิ่งดีโธออสเลิกพูดเล่นเสียทีเถอะเรื่องการเรื่องงานก็ต้องทำกันทุกคนวิชาที่ลูกเรียนมาจะใช้ทาอะไรได้ ก็ควรจะบอกให้แม่รู้จะได้ช่วยกันคิดอ่านได้ถูกคราวนี้ตาออเปลี่ยนสีหน้าจากหัวเราะเป็นเอาจริงเอาจังก่อนจะพูดกับพลอยว่าแม่ทุนหัวของลูกลูกเองก็ไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรจริงๆวิชาที่เรียนมาก็ใช่ว่าจะไปทําอะไรได้ไม่เหมือนกับพี่อั้นที่เขาเรียนกฎหมายเพราะวิชาที่ลูกเรียนมานั้นทําให้อ่านหนังสือเข้าใจมีรสมีชาติกว่าคนอื่นเท่านั้นเอง จะว่าเข้าที่ไหนไม่ได้ก็เข้าไม่ได้สักแห่งเดียวแต่ถ้าว่าจะเข้าได้ก็คงจะเข้าทำได้ทุกแห่งโธ<ถ>่เวรกรรมแท้ๆทีเดียวอ๋อชอบพูดอะไรที่แม่ไม่เข้าใจเสมอจะช่วยเป็นสติปัญญาสักนิดก็ไม่มีอยากได้อะไรอยากทำอะไรทำไมไม่บอกแม่แม่จา๋าลูกถูกส่งไปอยู่ที่อื่นเสียนานหลายปีกลับมาถึงบ้าน ไมอยากจะอยู่ที่บ้านกับแม่ให้อิ่มไม่อยากกังวลถึงอะไรทั้งนั้นอยากแต่เพียงว่าได้อยู่ใกล้ๆแม่นอนใต้หลังคาเดียวกับแม่เท่านั้นลูกก็เป็นคนเลี้ยงง่ายไม่สิ้นเปลืองเท่าไหร่แม่จะเลี้ยงลูกไปสักคนก่อนไม่ได้เพิ่หรือสมมุติว่าลูกไปทํางานหาเงินเดือนได้มาเท่าไหร่แม่ก็คงจะไม่ได้ไม่ดีอะไรด้วยลูกก็คงจะใช้คนเดียวหมดถ้าจะว่าถึงชื่อเสียง มีหน้ามีตาจากการงานลูกก็ไม่อยากได้อยากแต่จะเป็นลูกของแม่ตลอดไปและชื่อเสียงกิจยศนั้นถ้าจะหากันจริงๆก็คงจะมีเวลาอีกมากลูกเองก็ยังไม่แก่เท่าแม่จะอดใจรอไปหน่อยไม่ได้เทือหรือคำพูดของตาออสทำให้พลอยต้องนิ่งไม่รู้ว่าจะโต้อตอบอย่างไรเพราะว่าคำพูดของตาออสนั้นเข้าไปสะกิดความในใจของพลอยหลายอย่าง ถึงจะโต้อตอบต่อไปก็คงจะไม่ตรงต่อความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองเพราะว่าในใจจริงพรอยก็อยากเลี้ยงตะออดให้อยู่สบายๆที่บ้านไม่ต้องการให้ตะออดทำงานคือคืออยากให้อยู่ด้วยกันแบบนี้และตะออดก็ดูเหมือนว่าจะรู้ใจพรอยในที่สุดคะ่ะเรื่องการเข้าทำงานของตะออดก็เป็นเรื่องที่ต้องรั้งร อ, รอกันไปเพราะว่าในระหว่างนั้น มีงานพระบรมศพเป็นเหตุให้คุณเปรมเนี่ยมีงานยุ่งต้องทำงานติดต่อกันทั้งกลางวันกลางคืนอยู่นานพองานพระเมรุเสร็จสิ้นไปคุณเปรมก็ดูเหมือนจะหายใจให้คอโล่งอกมีเวลาได้พักผ่อนเริ่มมีอาการดีขึ้นแต่พองานพระเมรุเสร็จไปแล้วไม่เท่าไหร่ก็มีข่าวพูดกันหนาหูถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงในวงราชการซึ่งกำลังเกิดมีขึ้นเสนาบดีกระทรวงต่างๆนั้น เปลี่ยนไปหลายกระทรวงและการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่ก็มีอยู่ในกระทรวงวงังอันเป็นกระทรวงของคุณเปรมเองคุณเปรมเล่าให้พลอยฟังว่ามหาดเล็กราชการก่อนจะต้องออกจากราชการไปเป็นส่วนมากโดยเฉพาะมหาดเล็กห้องพระบรรฑมดูเหมือนจะออกหมดส่วนกรมกองต่างๆที่เคยมีมาแต่ราชการก่อนนั้นก็ยุบลงหลายกรม นี่ก็เป็นประวัติศาสตร์ในช่วงเปลี่ยนแผ่นดินรัชกาลที่หกเข้ารัชกาลที่เจ็ดนะคะผ่านชีวิตของคุณเปรมซึ่งเป็นมหาดเล็กรับใช้ใกล้ชิดรัชกาลที่หกชีวิตของคุณเปรมก็เลยต้องได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งก็ดูเหมือนว่าคุณเปรมก็ยอมรับได้ละค่ะแล้วก็บอกกับพลอยว่า ก็เป็นธรรมดาหรอกแม่พร้อยเมื่อผลัดแผ่นดินใหม่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดายิ่งมหาัเล็กรับใช้ใกล้ชิดก็ต้องเปลี่ยนไปตามแผ่นดินเป็นธรรมดาที่ท่านจะต้องชุบเลี้ยงมหาัเล็กค่าหลวงเดิมของท่านเพราะว่าไว้วางพระไทยกันมาแต่ก่อนแต่กรมกองอื่นนี่สิชั้นใจหายก่อนนี้เคยเห็นคนมากเคยอยู่ด้วยกันคลึกคลื้นเดี๋ยวนี้รู้แต่ว่าท่านจะตัดยุบลงไป ไม่รู้ว่าใครเป็นใครดูหน้าแห้งไปตามๆกันใครที่เขามีหลักฐานมีที่อาศัยพึ่งพิงฝากเนื้อฝากตัวได้ก็ไม่สู้กะไรนักแต่คนไม่มีนี่สิออกจะลำบากมหาหัดเล็กที่โปรดบางคนเขาก็ไม่เป็นไรเพราะในแผ่นดินก่อนก็ได้พระราชทานเอาไว้พอตัวแถมยังมีพระราชพินัยกรรมเมื่อสวรรคตแล้วอย่างเลวก็ได้กันคนละร้อยสองร้อยต่อเดือนคิดบนานาญด้วย ก็จะพออยู่กินไปได้อย่างสบายใจฉันสงสารก็แต่คนที่ไม่มีอะไรเท่านั้นจากนั้นมาข่าวตัดทอนยุบกรมกองและปลดข้าราชการก็ยิ่งดังหนาหูขึ้นทุกทีใครๆก็คุยกันถึงเรื่องนี้นะคะบางคนก็อธิบายให้เหตุผลว่าความจำเป็นที่ต้องปลดข้าราชการนั้น เพื่อทำงบประมาณแผ่นดินให้เข้าสู่ดุลใช้คำว่าดุลภาพนะคะเพราะว่าขณะนี้บ้านเมืองเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าเศรษฐกิจตกต่ำรัฐบาลเก็บภาษีอากรไม่ได้มากเหมือนก่อนจึงต้องตัดรายจ่ายลงไปคำอธิบายเหล่านี้กระทบผูเหมือนกับกระทบแผ่นหินพา มีได้เกิดความเข้าใจขึ้นแต่อย่างไรเลยคือพลอยเองเนี่ยเดาไม่ถูกเดาไม่ถูกว่ามันจะเป็นอย่างไรเพราะเมื่อนึกถึงความเป็นอยู่และค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวก็กลับเห็นว่ามีเงินเหลือใช้เหลือเก็บมากกว่าแต่ก่อนข่าวของเครื่องใช้แต่ละอย่าง มีราคาถูกลงไปเป็นอย่างมากในความรู้สึกของพลอยกลับเห็นว่านี่เป็นประยะบ้านเมืองดีไม่น่าจะมีใครต้องเดือดร้อนยิ่งคำอธิบายที่ว่าเงินแผ่นดินฝืดเคืองไม่พอจับใจ่ายใช้สอยตรงนี้ยิ่งทำให้พลอยงงงวยมืดแปดด้านทีเดียวเพราะว่าทรัพย์สมบัติเงินทอง ในสิบสองท้องพระครั้งนั้นพลอยเชื่อว่ามีมากมายสุดที่จะประมาณจะหายไปไหนได้หมดคือพลอยก็คิดแบบผู้หญิงคิดตามความรู้สึกไม่เข้าใจเงินไม่มีก็พิมพ์แบงสิพิมพ์แบงขึ้นเยอะๆไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเลยอย่างไรก็ตามคำว่า ดุลยภาพเป็นคำที่มีคนพูดถึงไม่เว้นตะวันไปทั้งไหนก็มีแต่คนพูดถึงคำนี้จนกระทั่งไหนที่สุดก็มีคำย่อเกิดขึ้นมาว่าถูกดุลคนโน้นถูกดุลคนนี้ถูกดุนและวันหนึ่งคุณเปรมกลับบ้านตอนบ่ายตามปกติอาบน้ําอาบท่าแล้วคุณเปรมก็พูดกับพลอยด้วยเสียงเรียบเรียบว่าแม่พลอย ฉันถูกดุนเสียแล้วยังไม่ทันที่พลอยจะซักถามอะไรคุณเปรมก็เล่าต่อไปว่าท่านสั่งให้ฉันตัดงบประมาณเงินเดือนที่กรมฉันลงไปเดือนละเจ็ดร้อยห้าสิบาทไอ้ฉันจะไปปลดคนอื่นออกสักสองสามคนก็คงจะได้แต่ฉันก็ทําไม่ลงเพราะสงสารผู้น้อยเงินเดือนของฉันก็บังเอิญเจ็ด้อยห้าสิบบาทพอดีฉันก็เลยยืน่นใบลาออกวันนี้งบประมาณเข้าสู่ดุนเพงทีเดียว แล้วคุณเปรมก็หัวเราะแห้งๆในที่สุดนะคะชีวิตของพลอยครอบครัวของพลอยก็เกี่ยวข้องกับคำว่าดุลยภาพเข้าจนได้ตั้งแต่คุณเปรมออกจากราชการ ตอนแรกๆพลอยก็รู้สึกยินดีนะคะที่ได้เห็นคุณเปรมเนี่ยสบายอกสบายใจหน้าตาก็ดูผ่องใสกว่าแต่ก่อนกินได้นอนหลับทําให้พลอยรู้สึกสบายใจหายกังวลแต่ปรากฏว่าอาการทั้งหมดของคุณเปรมเนี่ยเป็นของชั่วครู่ชั่วคราวคือดีชั่วคราวเพราะว่าเมื่อออกจากราชการใหม่ๆ คุณเมก็ย่อมรู้สึกโล่งใจสิ้นกังวลสิ้นกังวลไปจากความวิตกความห่วงใยและก็ความไม่แน่นอนในตำแหน่งฐานะเหมือนกับคนที่ขยันขยอเมื่อก่อนจะกระโดดน้ำหน้าหนาวคือคือคือความกลัวเนาะไอตอนที่จะตัดสินใจนี่แหละเป็นช่วงเวลาที่ลำบากใจแต่เมื่อกระโดดพร่งลงไปทั้งตัวแล้ว ก็หมดความขยันขยอเมื่อความสบายใจความโล่งอกบังเกิดขึ้นภายในและร่างกายของคุณเพรมก็ได้พักผ่อนอย่างจริงจังหลังจากที่ได้คร่าเครียดมานานระหว่างงานพระบรมศพพระเจ้าอยู่หัวในแผ่นดินก่อนคุณเพรมก็เลยสบายขึ้นอันนี้ก็เป็นภาวะที่นึกออกเลยทีเดียวนะคะคุณฟังอาจจะเคยเวลาที่เราอยู่ในระหว่างการตัดสินใจว่าจะทาหรือไม่ทาอะไรหรือว่ากลัวว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิต ช่วงนี้เนี่ยแหะค่ะเป็นช่วงที่มันเครียดแล้วก็ทุกทุกจากความกลัวความกังวลแต่เมื่อภาวะนั้นมาถึงเราเข้าจริงๆนะคะหรือว่าเราได้ตัดสินใจไปแล้วเนี่ยความกลัวความกังวลมันหายไปก็เหลือแต่ว่าต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่เรากลัวซึ่งบางทีเนี่ยมันก็อาจจะเลวร้ายน้อยกว่าความกลัวที่เราสร้างขึ้นมาเสอีกคุณเปรมก็คงจะคล้ายๆอย่างนั้นนะคะหมดเรื่องหมดราวคุณเปมรมจึงได้สบายขึ้น แต่ถ้าการที่คุณเปรมได้อยู่บ้านพักผ่อนเป็นเพียงช่วระยะเวลา15วันหรือว่าเดือนหนึ่งจากนั้นก็กลับไปทำงานต่อคุณเปรมก็คงจะสบายใจไปตลอดอีกนานแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณเปรมออกจากราชการคราวนี้เนี่ยเป็นการออกเพื่อรับบํานาญแล้วก็ยังมองไม่เห็นโอกาสที่จะได้เข้ารับราชการอีกในชีวิตของตน การอยู่เฉยๆกับบ้านของคุณเปรมเป็นสิ่งที่คุณเปรมจะต้องทำไปตลอดชีวิตเป็นการถาวรฉะนั้นหลังจากความโล่งใจและความสบายกายอันเกิดจากการได้พักผ่อนในเบื้องแรกแล้วคุณเปรมก็เริ่มเบื่อพรอะเห็นคุณเปรมมีอาการดีอยู่แค่เดือนแรกพอเข้าสู่เดือนที่สองนับจากวันที่ออกจากราชการคุณเปรมก็เริ่มออกอาการ นั่งเมาตาลอยนานๆก็ถอนหายใจวันหนึ่งๆก็ได้แต่เดินเข้าเดินออกระหว่างในตึกและนอกตึกกินข้าวกลางวันแล้วก็นอนพลอยรู้ว่าคุณเปรมนอนไม่หลับคือนอนกลางคืนนอนไม่หลับแล้วก็มานอนกลางวันพอนอนกลางวันแล้วก็เลยนอนกลางคืนไม่หลับเป็นวงจรแบเช่นนี้นะคะพอตกบ่ายก็ลงคอกมา้า แล้วก็ขี่ม้าควบขับออกจากบ้านยิ่งนานวันคุณเปรมก็ขี่ม้าด้วยลักษณะที่โลดพ้นเสียงอันตรายแล้วก็ขาดความระมัดระวังมากขึ้นทุกวันสิ่งนี้ทำให้พลอยรู้สึกเป็นกังวลใจค่ะเพราะว่าคุณเปรมก็มีได้เป็นหนุ่มๆ ห, หรือว่าอายุน้อยเหมือนแต่ก่อนในเรื่องของอารมณ์นะคะตอนนี้คุณเปรมกลายเป็นคนหงุดหงิดฉุนเฉียวง่าย อะไรที่ไม่พอใจเพียงเล็กน้อยก็ออกอาการปึงปังเกินกว่าเหตุนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะสำคัญเพราะว่าโดยธรรมชาติคุณเปรมเป็นคนอารมณ์ดีช่วงนี้พลอยก็เลยต้องระมัดระวังการพูดการจาและก็การกระทำของตนทั้งยังต้องตักเตือนคนอื่นในบ้านให้ระวังตัวยิ่งกว่าแต่ก่อน เพราะว่าพลอยนั้นไม่ต้องการให้คุณเปรมมีอารมณ์ขุนมัวโดยไม่จำเป็นจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคุณเปรมที่ถูกดุ น, นะคะเพราะเพิ่มพี่ชายของพลอยเองถูกดุทีหลังคุณเปรมเพียงไม่กี่วันแต่อาการต่างกันเหลือเกินพราะเพิ่มไม่ได้มีอาการเบื่อนายฉุนเฉียวหรือว่าเปลี่ยนแปลงแต่อย่างไรเลยถ้าจะว่าไปดูเหมือนว่าจะอารมณ์ดีกว่าเก่าได้ซ้า ทั้งที่ถ้าจะวาดกันถึงฐานะการเงินพ่อเพิ่มก็เรียกได้ ว, ว่าแค่พอมีพอกินไม่ได้ร่ำรวยเหมือนคุณเปรมวันหนึ่งพ่อเพิ่มมาเยี่ยมตามปกติพลอยก็เลยถามขึ้นว่าคุณหลวงออกจากรชาชการแล้วเป็นอย่างไรบ้างเอ๊กก็ไม่เห็นเป็นอะไรดูสบายดีนี่แม่พลอยหมายถึงอะไรพ่อเพิ่มกลับงงนะคะที่พลอยถามแบบนี้ฉันเองก็ไม่รู้ถามไปอย่างนั้นล่ะ เพระฉันดูดูเห็นคุณหลวงสบายดีแต่คุณเปรมหมูนี้ดูหมุดหงิดอย่างไรชบกนพอเพิ่มก็นิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะบอกว่าแม่พลอยจะเอาเจ้าคุณท่านมาเปรียบกับฉันไม่ได้หรอกเมื่อท่านอยู่ในราชการท่านเป็นใหญ่เป็นโตส่วนฉันมันเป็นเพียงแค่คนเล็กคนน้อยเมื่ออยู่ในราชการยังผิดกันได้ออกจากราชการแล้วก็ต้องผิดกันเป็นธรรมดา แต่ฉันว่ามีอะไรมากกว่านั้นนะเรื่องมันอยู่ที่คุณหลวงทำใจได้ถูกคุณหลวงจึงสบายฉันก็เลยอยากรู้ว่าคุณหลวงทำใจอย่างไรมันก็พูดยากนะแม่พ้อยฉันเองฉันว่ามันไม่ได้อยู่ที่การทำใจเมื่อออกจากราชการแล้วแต่อยู่ที่ทำใจมาอย่างไรแต่ดั้งเดิมมากกว่าจะเรียกว่าเป็นนิสัยก็ได้คือระหว่างที่ฉันอยู่ในราชการ ฉันไม่เดบหมกมุ่นอยู่แต่ราชการอย่างเดียวฉันมีเรื่องอื่นปลูกต้นไม้บ้างเลี้ยงนกขาบ้างแล้วก็อะไรต่ออะไรที่แม่พลอยก็รู้อยู่แล้วคนอื่นๆก็ถือว่าของเหล่านี้เป็นของเล่นไม่สำคัญแต่ฉันกลับถือว่าเป็นของจริงเห็นมันสำคัญเป็นหนักเป็นหนาราชการซะอีฉันกลับเห็นเป็นของเล่นเพราะเหตุนี้ล่ะถึงไปไม่ได้ไกลเท่าไหรไ่ในราชการ แต่พอถึงตอนออกจากราชการฉันก็ไม่ทุกข์เพราะว่าสาหรับฉันก็เท่ากับว่าฉันเสียของเล่นไปอย่างหนึ่งเท่านั้นเองของจริงของฉันก็คือพวกต้นไม้นกเขาเพื่อนคุยเพื่อนเที่ยวก็ยังอยู่ครบและฉันจะไปทุกข์ร้อนอะไรยิ่งกลับจะสบายซะอีกเพราะไม่มีห่วงที่จะต้องไปทำราชการพรอยได้ยินพ่อเพิ่มพูดก็เห็นจริงว่า วิธีคิดของพ่อเพิ่มและคุณเปรมทั้นแตกต่างกันเหลือเกินนะคะคุณเปรมหมู่นี้เป็นอย่างไรก็ไม่รู้ฉันว่าดูหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีคุณเปรมกับคุณหลวงจริงๆก็เป็นเพื่อนฝูงกันน่าจะพูดอะไรกันได้ฉันเองนั้นจนใจทำอะไรไม่ถูกจริงๆฉันเองก็ไม่รู้จะตักเตือนอย่างไรเจ้าคุณท่านก็เป็นผู้ใหญ่กว่าฉัน ถึงจะเคยเป็นเพื่อนกันมาแต่ก่อนแต่ฐานะเดี๋ยวนี้ก็ไม่เหมือนกันถึงพอยจะเห็นจริงอย่างที่พ่อเพิ่มว่านะคะแต่ก็อดไม่ได้ที่จะขอร้องถึงอย่างนั้นก็เถอะคุณหลวงก็เคยเป็นเพื่อนกันมาแต่ก่อนและเดี๋ยวนี้ก็เป็นญาติฉันรู้สึกว่าคุณเปรมเหงาเพราะไม่มีอะไรจะทำถ้าคุณหลวงจะชวนเธอคุยเล่นคุยเล่นหรือว่าหาอะไรทาซะบ้างบางทีก็อาจจะดีขึ้น พลอยก็ขอร้องเป็นครั้งสุดท้ายแบบคนไม่มีทางไปนะคะตั้งแต่นั้นมาพ่อเพิ่มก็มาที่บ้านบ่อยขึ้นแล้วก็มักจะชวนคุณเปรมอย่างที่พลอยขอร้องคือชวนคุณเปรมทำโน่นทํำนี่นะคะอย่างที่พ่อเพิ่มชอบแต่ความพยายามของพ่อเพิ่มก็ไม่ได้ช่วยให้คุณเปรมดีขึ้นคุณเปรมเองเป็นคนมาปรารถกับพลอยได้ซ้ําว่าพ่อเพิ่มหมูนี้เป็นยังไงก็ไม่รู้ชอบมาชวนฉัเล่นอะไรต่ออะไรเหมือนเด็ก นีเคราะดีว่าชอบพอนิสัยกันมาหลายสิบปีถ้าเป็นคนอื่นฉันคงรำคาญพี่ลึกในที่สุดพ่อเพิ่มก็มารายงานกับพลอยว่าแม่พร้อยที่แม่พร้อยขอฉันไว้เรื่องเจ้าคุณนะ่ะเห็นจะไม่สำเร็จหรอกเพราะว่าท่านชอบคนละอย่างกับฉันฉันจะมายุ่งกับท่านมากไปก็กลัวท่านจะหาว่าเสือกฉันก็เห็นท่านเปลี่ยนไปจริงดูฉุนเฉียวโกรธง่ายแล้วก็มีเบื่อเบื่ออย่างที่แม่พลอยว่า แต่ลำพังฉันแก้ไม่ตกหรอกแม่พลอยคงจะต้องแก้เอาเองละแล้วคุณหลวงจะให้ฉันแก้อย่างไรพลอยก็ถามด้วยความสนใจนะคะคราวนี้พอเพิ่มเลี้ยวซ้ายแลขวาเหมือนกับว่าจะคบคิดให้น้องสาวทําผิดร้แรงอะไรสักอย่างพอเห็นว่าใกล้ๆไม่มีใครอยู่แถวนั้นพอที่จะได้ยินนะคะพอเพิ่มก็บอกว่าฉันว่า แม่พลอยลองหานางเล็กๆมาปรนนิบัติท่านสักคนสองคนเป็นไงเผื่อว่าจะกระชุ่มกระชวยขึ้นมาบ้างคราวนี้พลอยหัวรอกกิ๊กด้วยความขำนะคะโทคุณหลวงก็ฉันก็นึกว่าเรื่องอะไรนักหนาของอย่างนี้ฉันทำไม่ได้หรอกกระดาษถ้าคุณเปรมเธอขอหรือว่าเธอต้องการเองและหามาเองฉันก็จะไม่ว่าสักคำเดียวหึงกระมังแม่พลอย จะหึงหวงไปทำไมกันเราก็อายุมากด้วยกันแล้วฉันไม่ได้หึงเลยให้ฉันตายไปเถอะชั่วแต่ว่าฉันไม่รู้ว่าเขาทำกันยังไงเท่านั้นเองก็ไม่เห็นจะยากอะไรเลยหาสาวๆมาให้มันคลานไปคลานมาแล้วเราก็ทาเฉยๆซะทำเผลอบ้างอะไรบ้างกลางค่ากลางคืนเวลาท่านนอนเราก็ส่งเข้าไปรับใช้เมื่อท่านเมื่อยเราก็ให้นวดให้ทุก แล้วแม่พลอยก็แยกไปนอนเสียห้องอื่นแกล่งทำบนว่าร้อนบ้างอะไรบ้างตามแต่จะนึกได้อีกหน่อยก็ขี่เกียรจะ ก, ก็ปรีกก็เปล่าซะอีกไม่เอาละคุณหลวงฉันกระดากอายทำไม่ได้แต่ถ้าคุณเปรมทะอยากมีเมียน้อยก็ไปมีที่อื่นอันนั้นฉันก็ไม่ว่าแต่จะให้ฉันหามาให้แล้วก็ต้องคอยหลีกเลี่ยงให้เธออยู่กับเมียน้อยฉันไม่ทาฟังดูคล้ายๆกับเป็นใจให้ผัวทาความผิด ฉันยังปร่งใจทำไม่สนิทเรื่องมันก็หวงนั่นแหละแล้วก็ปากแข็งว่าไม่หึงพ่อเพิ่มพูดยิ้มยิ้มพรอยไม่รู้ว่าจะพูดกับพ่อเพิ่มอย่างไรได้นะคะเพราะว่าวิธีแก้ไขของพ่อเพิ่มที่จะให้คุณเปรมสุขสบายขึ้นนั้นดูจะรุนแรงไปหน่อยสำหรับใจพรอยในที่สุดเมื่อหมดปัญญาเข้าจริงๆพรอยก็หันเข้าหาต้นต่อแห่งความมิตกนั่นก็คือตัวคุณเปรมเอง โดยถามขึ้นตรงๆวันหนึ่งว่าคุณเพรมฉันถามจริงๆเถิดหมู่นี้คุณเพรมเป็นอะไรไปคุณเพรมนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันไม่พ่อยดูอะไรต่ออะไรมันว่างเปล่าเงาเงาในใจยังไงก็ไม่รู้จะคิดจะทำอะไรก็จับจับจดจดไม่สําเร็จลุล่วงไปได้ กลางคืนก็นอนไม่ค่อยหลับคุณเปรมลองปรึกษาหมอบ้างไม่ดีหรือก็ฉันไม่นเจ็บเจ็บไข้อะไรนี่แม่พรอยจะไปหาหมอเรื่องอะไรกันฉันเป็นห่วงเห็นคุณเปรมไม่สบายคุณเปรมอยากได้อะไรอยากทำอะไรก็ทำเถอะนะอย่าเกรงใจฉันเลยฉันอยากให้คุณเปรมสบายเท่านั้นเองฉันไม่ห้ามสักอย่างเป็นต้นว่าอะไรบ้าง คุณเฟรมถามยิ้มๆิ้มคราวนี้พลอยอึดอักเออก็ก็ไม่รู้สิเผื่อว่าคุณเปรมอยากจะใช้สอยใครคราวนี้คุณเปรมหัวเราะลั่นนี่แม่พลอยจะมาหนุนที่ฉันหาเมียน้อยละสิแม่พลอยอย่าวิตกไปเลยฉันยังไม่เจ็บถึงขนาดนั้นหรอกถ้าถึงเมื่อไหร่ฉันจะบอกคราวนี้ฉันสืมๆไปก็เพราะยังไม่รู้จะทําอะไร แต่ก่อนเคยมีงานการทำทุกวันเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนว่างฉันยังทำตัวไม่ถูกแต่ต่อไปก็คงจะเคยเข้าวันหนึ่งมีอย่างหรือให้หาเมียน้อยถ้าฉันทำจริงเห็นว่าน่าจะตายเร็วเข้าอีกเท่านั้นล่ละตั้งแต่นั้นมาพลอยก็ไม่พยายามไต่ถามคุณเปรมอีกได้แต่คอยมองคุณเปรมอยู่ห่างๆ ตาออสดูเหมือนจะเป็นลูกคนเดียวที่รู้ใจพลอยว่าเป็นห่วงพ่อตาออสเคยพูดกับพลอยว่าแม่รู้ไหมอย่างคุณพ่อเวลานี้ถ้ามีอะไรสนใจแล้วก็สามารถที่จะทาได้ทั้งวันก็น่าจะดีนั่นน่ะสิออสแม่ก็วิตกอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่รู้จะแนะนํายังไงพูดไปก็จะหาว่ายุ่งเดี๋ยวนี้ ก็เห็นแต่ยังสนใจอยู่ก็เฉพาะเรื่องมาเท่านั้นแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยน่ะแม่เสียอย่างเดียวท่านขี่มา้าราวกับคนหนุ่มๆแม่ก็เป็นทุกเต็มทีอายุก็มากเข้าทุกวันจะขอให้เลิกก็ไม่ได้เพราะไม่มีอะไรจะเหลืออย่างที่ออสว่าออดนึกอะไรออกที่จะให้คุณพ่อทําดีกว่าขี่ม้าได้หรือไม่แม่เองจนปัญญาซะแล้ว ตาออดบอกว่าเคยชวนคุณเพรมทำํำการงานอย่างอื่นอย่างเช่นในเรื่องของการค้าขายนะคะแต่ว่าคุณเพรมก็ไม่เห็นด้วยด้วยเหตุที่ว่าเคยทําราชการมาแต่หนุ่มจนแก่จะออกไปค้าขายก็ไม่รู้ว่าจะหยิบจับอะไรถูกอีกประการหนึ่งคุณเปรมบอกว่าถ้าจะไปค้าขายกับลูกเนี่ยไม่ทําพลอยก็สงสัยก็ถามตาอตอดตาออดบอกว่า ท่านบอกว่าท่านกลัวฉิบหายและท่านก็บอกว่าคนอย่างลูกค้าขายไม่ได้เพราะไม่มีหัวทางนั้นอยู่บ้านไปเฉยๆดีกว่าพอมีกินมีใช้ไปจนตายถ้าไปริค้าขายเข้าก็น่าจะหมดตัวเสียก่อนแล้วก็จะลําบากเปล่าๆเอา้าแล้วออทว่าอย่างไรล่ะลูกลูกก็เห็นว่าท่านพูดถูกความจริงลูกก็ไม่รู้จะทําอะไรเหมือนกันเห็นท่านอยู่เปล่าๆก็ชวนไปอย่างนั้นเอง พลอยก็ได้แต่มึกอยู่ในใจว่าอืมพอดีกันทั้งพ่อทั้งลูกนะคะต่อไปนี้ก็จะต้องตกเป็นภาระของพลอยที่จะต้องดูแลคนอยู่ว่างๆถึงสองคนแต่ออดคนหนึ่งแล้วก็คุณเปรมอีกคนหนึ่งตั้งแต่ออกจากราชการมาคุณเปรมดูเหมือนจะเป็นเด็กลงกว่าเกา่าสิ่งใดที่เคยทําได้เองแต่ก่อนตอนนี้ก็ไม่ทําปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพลอย ในการที่จะคอยดูแลจัดทําให้แม้แต่เสื้อผ้าที่ใส่อยู่กับบ้านถ้าพลอยไม่คอยดูแลให้เปลี่ยนคุณเปรมก็จะใส่ซ้ําอยู่อย่างนั้นโดยไม่รู้ตัวคุณเปรมเคยเป็นผู้ใหญ่มาตลอดเพิ่งจะกลับเป็นเด็กลงส่วนตาออดนั้นเป็นเด็กตลอดมาโดยไม่เคยโตเป็นผู้ใหญ่และมีทีท่าว่าจะไม่ยอมโตวความรู้สึกของพลอยเกี่ยวกับคุณเปรมและตาออด คือทั้งผัวทั้งลูกเนี่ยอธิบายได้ยากใจหนึ่งก็วิตกกงังวลแต่อีกใจหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะเป็นใจจริงกลับพอใจนะคะที่มีทั้งลูกและผัวมาเป็นภาระอยู่ในมือคือตอนที่คุณเปรมยังอยู่ในราชการนั้นพลอยทั้งรักแล้วก็นับถือในสติปัญญาความรอบรู้ของคุณเปรมแล้วก็ภูมิใจในยศวสาสณะตาแหน่งหน้าที่ที่คุณเพรมได้รับ แต่พลอยไม่เคยรู้สึกว่าตนมีกรรมสิทธิ์ในตัวคุณเปรมเด็ดขาดแต่เดี๋ยวนี้คุณเปรมเป็นกรรมสิทธิ์ของตนโดยสมบูรณ์ไม่มีใครหรือว่าสิ่งใดที่จะมาแบ่งเอาตัวของคุณเปรมและเวลาของคุณเพรมไปทำให้พลอยรู้สึกทั้งรักและสงสารทั้งอิ่นใจส่วนตาอ๊อก็เช่นเดียวกันนะคะใจหนึ่ง ถ้าคิดตามเหตุผลผิดถูกก็อยากให้ตาออสมีงานมีการทำเป็นหลักฐานต่อไปแต่เมื่อนึกถึงความห่างเหินเพราะการงานเป็นต้นเหตุอย่างเช่นกรณีของตาอ้นแล้วก็ตาอัาน้นพลอยก็ท้อใจอยากจะเก็บตาออสเอาไว้ใกล้ๆมากกว่าและเมื่อตาออสไม่กระตือรือร้อนที่จะหางานทำพลอยจึงไม่ได้เร่งเรา้าส่วนความสัมพันธ์ระหว่างพลอยกับลูซิน ลูกสไปแมมตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนถึงจะไม่สนิทกันนักก็ไม่ถึงกับอยู่กันคนละโลกลูซินเป็นคนหัวไวอยู่เมืองไทยได้เดือนสองเดือนก็หัดพูดภาษาไทยได้หลายคําและเมื่อมาอยู่ได้สักสองปีลูซินก็พูดภาษาไทยได้ดีพอที่จะสามารถทําความเข้าใจกันได้ ทำให้พลอยนึกแอนดูมากขึ้นทั้งที่ก็ยังไม่เข้าใจลูกสะพายมากนักเพราะว่าความคิดความรู้สึกของลูซินที่แสดงออกมาเป็นภาษาไทยผิดบ้างถูกบ้างก็ยังเป็นความคิดและความรู้สึกของฝรั่งอยู่นั่นเองแต่ก็มีบางครั้งนะคะที่ลูซินเนี่ยมาคุยแล้วก็เปิดเผยความในใจให้พลอยฟังทําให้พลอยรู้สึกว่าคนเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือฝรั่งก็ยังเป็นคนด้วยกัน และถ้าเป็นผู้หญิงด้วยกันแล้วก็มีความรู้สึกบางอย่างที่ผู้หญิงทุกชาติทุกภาษาเหมือนกันเวลาที่ลูซินบ่นคิดถึงบ้านพลอยก็เห็นใจรู้ว่าถ้าเป็นตนเองต้องตามสามีไปอยู่ห่างไกลจากบ้านก็คงจะมีความรู้สึกไม่ต่างจากลูซินบางทีลูซินก็คุยถึงตาอั้นด้วยความรักความภูมิใจในความดีความฉลาดเฉลียวของสามี ก็ททำให้พลอยใจอ่อนเข้าใจเห็นใจในหัวอกลูกผู้หญิงที่รับผัวของตนทุกอย่างแต่บางเวลาลูซินก็มีเรื่องเดือดร้อนที่พลอยไม่เข้าใจนะักครั้งหนึ่งลูซินมาบ่นน้อยใจว่ามีคนมาเชิญตะอั้นไปงานแต่ผู้เดียวโดยที่ไม่ได้เชิญตนลูซินเห็นว่าผิดบาปที่สุดก็ตรงที่ตะอั้นรับเชิญ พลอยก็พยายามอธิบายให้ลูซินฟังว่าไม่ควรจะถือสาเพราะว่าพลอยเองนานๆจึงจะได้ไปไหนมาไหนกับคุณเปรมสักทีหนึ่งและส่วนมากก็ให้คุณเปรมไปคนเดียวแต่พลอยก็ได้รับคำตอบจากลูซินว่าคุณแม่เป็นคนละอย่างกับลูซินไม่เหมือนกันผิดกันมากทำให้พลอยก็ต้องนั่งคิดไม่แน่ใจว่าถูกลูกสะพ้ยดูถูกเข้าให้ หรือเพียงแต่สะท้อนความจริงที่แตกต่างพลอยสังเกตดูอาการกิริยาของลูซินในตอนแรก น, นึกว่าชีวิตคู่ระหว่างตาอั้นกับลูซินอาจจะไม่ลงเอยอย่างที่ตาอั้นคาดไว้ก็ได้เมื่อตอนที่กลับถึงเมืองไทยใหม่ๆก็ยังดูรักใคร่กันดีและลูซินก็ยังมองเมืองไทยด้วยสายตาอันรื่นร ม, มแต่ต่อมาเมื่อลูสินคุ้นกับเมืองไทยเขาแล้ว เธอก็เริ่มจะเบื่อหน่ายและก็เริ่มรู้สึกรำคาญเช่นเรื่องอากาศร้อนยุงกัดความไม่สะดวกและก็ความสุกปรกบางอย่างของเมืองไทยส่วนตะอันนั้นตอนแรกก็มีได้ห่างจากภรรยาถึงจะไปทำงานก็รีบกลับแต่วันถ้ามีธุระหรือมีโอกาสจะออกไปนอกบ้านก็ไปด้วยกันเสมอดูตะอันพยายามที่จะทำให้ลูซินนิยมเมืองไทย แล้วก็ให้อยู่ในเมืองไทยได้ยังมีความสุขแต่จะเป็นเพราะอะไรก็ต่างแต่อันในช่วงหลังๆนะคะก็ออกจากเนืยๆไปบางวันพอไปทำงานแล้วก็หายไปไม่กลับบ้านกว่าจะกลับก็ดึกพรอยไต่ถามก็ได้ความว่าอยู่ที่สโมสรบ้างเพื่อนฝูงชวนไปเที่ยวบ้างบางวันถึงแม้จะกลับมาบ้านแล้ว แต่ถ้าเพื่อนฝูงเอารถมารับตะอันก็จะผลผลันออกไปอีกแล้วก็ไปแต่คนเดียวทิ้งรูซินเอาไว้ที่บ้านจนบางครั้งพลอยรู้สึกสงสารความจริงถ้าตะอันได้เมียเป็นไทยและปฏิบัติเช่นนี้พลอยก็จะไม่นึกอะไรมากถึงแม้ว่าเมียไทยจะไม่ชอบพลอยก็คงจะมีทางพูดจาว่ากล่าวให้ใคลายความน้อยใจลงได้บ้างแต่เมื่อรูซินเป็นแหม่มพลอยก็พูดไม่ออก ประการแรกไม่แน่ใจว่าลูกสะพ้ยจะเข้าใจในคำพูดและเหตุผลของตนประการที่สองเห็นใจที่ลูซินเนี่ยอุตส่าห์ทิ้งพ่อทิ้งแม่พี่น้องนะคะติดตามตาอั้นมาจนถึงเมืองไทยจะด้วยความรักหรือด้วยความรู้สึกความเข้าใจอย่างไรก็ตามแต่เมื่อตามมาจนถึงเมืองไทยแล้วลูซินก็ย่อมจะเห็นว่าตาอั้นเป็นคนสําคัญที่สุดแล้วก็เป็นคนคนเดียวในเมืองไทยที่ตนจะพูดด้วยได้เมื่อตาอั้นห่างเหินไป ลูสินก็ย่อมจะต้องรู้สึกน้อยใจเสียใจมากกว่าคนไทยธรรมดาที่อยู่บ้านเมืองของตนพรอยเองก็เคยพูดกับตาอั้นในเรื่องนี้เป็นทำนองตักเตือนนะคะแต่ตาอั้นก็บอกว่าเขากับลูซินนั้นเข้าใจกันดีเพราะว่าตัวเขาเองเพิ่งจะเริ่มทํางานใหม่และก็จากเมืองไทยไปนาน แต่อันให้เหตุผลว่ามีความจำเป็นที่จะต้องหาเพื่อนฝูงแล้วก็รู้จักผู้คนเอาไว้บ้างถ้ามาอย่างนั้นก็อาจจะไปไม่ไกลในหน้าที่การงานเหมือนกับต้องหาเส้นสายเครือข่ายนะคะสมัยนี้ก็ต้องบอกว่าต้องหาคอนเนคชันอะไรทานองนั้นทีนี้เมื่อแต่อันจำเป็นต้องทำเช่นนี้บางเวลาก็เลยต้องไปไหนมาไหนแต่เพียงคนเดียวจะพาผู้หญิงไปด้วยก็ลำบากแล้วก็เกรงใจคนอื่น เมื่อเมียคนอื่นยินดีที่จะอยู่บ้านไม่ออกตามผัวไปทุกแห่งแต่อั้นจะพาเมียไปแต่คนเดียวก็ดูกะไรอยู่พลอยก็พยายามเตือนตาอั้นในเรื่องของการครบเพื่อนฝูงอย่าให้เพื่อนฝูงชักนำไปในทางที่ผิดแต่ตาอั้นก็ตอบว่าโธ่คุณแม่ก็ผมก็โตแล้วไม่ใช่เด็กๆพอจะรู้ได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกคำตอบของตาอัน้นทาให้พลอยต้องนิ่งทันที เ ะ, ะอั้นทำตัวเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ซึ่งความจริงก็ควรจะเป็นเช่นนั้นนะคะแต่ะอั้นกับตะออสนั้นต่างกันมากโดยเฉพาะในสายตาของพลอยในสายตาของพลอยตะออสเป็นเด็กที่ไม่รู้จักโตแต่ตะอั้นก็เป็นผู้ใหญ่เสียจนเกินตัวเชื่อในความคิดความเห็นของตนจนแทบจะไม่ฟังใครตะออส น, นั้น ดูจะไม่มีความมักใหญ่ใ่สูงและไม่คํานึงถึงชีวิตอนาคตของตนแต่ตาอั้นตรงกันข้ามมักใหญ่ใ่สูงกําหนดชีวิตอนาคตของตนไว้ในระดับที่ปล่อยต้องตกใจเช่นวันหนึ่งนั่งกินข้าวกันอยู่พร้อมๆกันตาอั้นก็บ่นว่าเมืองไทยเราเดี๋ยวนี้ถึงใครจะมีความรู้ความสามารถก็ไม่มีประโยชน์คนที่จะได้ดีมีตําแหน่งสูงสูง ถ้าไม่ใช่คนแก่หัวโบราณก็ต้องเป็นลูกท่านหลานเธออย่างเราเราถึงจะมีความคิดอะไรก็ไม่มีใครฟังแล้วก็ไม่เปิดโอกาสให้ได้ทำงานสำคัญสำคัญบ้างเลยมีอย่างเหรอปัญหาเศรษฐกิจนิดเดียวก็แก้ไม่ตกต้องแก้ด้วยวิธีไล่คนออกจากงานเป็นพันๆแต่ออดมองหน้าพี่ชายยิ้มยิ้มแล้วพี่อั้นเห็นว่าใครจะแก้ได้ผมไปคนหนุ่มๆที่ก็มีหัวคิดมีวิชาความรู้ที่จะแก้ได้ก็มีหลายคน แต่อยู่แค่วงนอกทําอะไรไม่ได้และอย่างพี่อันนี้พอจะแก้ปัญหาให้บ้านเมืองได้ไหมแต่ออดชักนึกสนุกทาไมจะไม่ได้ไม่เห็นมันจะยากอะไรเลยแก้ยังไงไหนว่ามาให้เราฟังทีหรือแต่ออสักต่อแต่อันก็เริ่มอธิบายบอกว่าปัญหาทุกอย่างมันอยู่ที่การปกครองเป็นหลักใหญ่ปัญหาเศรษฐกิจทุกวันนี้เป็นปัญหาปัจจุบัน จะ แ, แก้ไขได้ก็ด้วยการปกครองแผนปัจจุบันออสก็รู้ว่าการปกครองของเราทุกวันนี้มันโบราณล้าสมัยปกครองกันมาแบบนี้กี่พันปีก็ยังปกครองกันอยู่อย่างนั้นผลที่สุดก็ทําอะไรไม่ได้พาคนอื่นต้องเดือดร้อนไปด้วยถ้าจะให้แก้ปัญหาอื่นๆได้สําเร็จก็ต้องแก้ที่การปกครองก่อนให้ถูกเวลาเหมือนของคนอื่นเขาคนอื่นที่ก็ดีมีความสามารถจะได้มีโอกาสเข้ามาทํางานให้แก่บ้านเมืองได้ พี่อันเป็นเอามากแต่ออดพูดเบาๆแล้วก็ชวนคุยเรื่องอื่นคำพูดของตาอันนี่ทําให้พล่อยสะดุง้งเพราะว่าฟังดูรุนแรงคําพูดเหล่านั้นเป็นคําพูดทํานองเดียวกันกับที่ตาอันเคยเขียนจดหมายมาเมื่อครั้งเป็นเด็กหนุ่มนักเรียนนอกตอนนั้นถึงตาอันจะพูดหนักไปเบาไปก็ยังเป็นการพูดกับพ่อแม่ ไม่มีทางที่จะล่วงรู้ไปถึงหูคนอื่นและก็ตอนนั้นยังเป็นเด็กยังสามารถที่จะให้อภัยได้นะครับแต่ตาอันวันนี้เป็นผู้ใหญ่รับราชการมีลูกมีเมียแล้วควรจะอยู่ในวัยที่พ้นจากความคิดฟุ้งซ่านและยิ่งกว่านั้นตาอันก็เป็นคนที่มีเพื่อนฝูงเยอะจะไปเที่ยวพูดจา ก, กับใครทำนองนี้อีก พลอยก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้และถ้าหากว่าคําพูดและความคิดของตาอัน้นล่วงรู้ไปถึงหูผู้ใหญ่หรือถึงพระเนตรพระกันเจ้านายตาอั้นก็จะเสียและก็จะไม่เสียถึงตาอั้นเท่านั้นแต่เสียตลอดถึงปิดามารดาตลอดจนวงสาคณาญาตพลอยคิดถึงความเห็นของเด็กๆที่เคยเป็นลูกหลานแล้วเติบโตขึ้นนําเอาความคิดเห็นต่างๆนั้นมาเทียบกับความเห็นสมัยของตนก็ใจหาย เพราะมันแตกต่างกันจนน่ากลัวแต่ในกระบวนลูกๆแล้วคนที่ทำให้ออพลอยรู้สึกปวดหัวที่สุดหรือว่าเวียนหัวที่สุดคือประภัยประภัยลูกสาวคนเล็กแล้วก็คนเดียวของพลอยประภัยโตเป็นสาวจบโรงเรียนแล้วกิริยาท่าทางเปลี่ยนแปลงไปจนพลอยรู้ตัวว่าไม่สามารถจะแก้ไขได้ อาจจะเป็นเพราะเรื่องของการรัสมัยลูกคนอื่นที่อายุรุ่นบราวคราวเดียวกับประภัยก็ดูเหมือนจะมีกิริยาท่าทางแบบเดียวกันทั้งสิ้นประภัยมีเพื่อนส า, สาวรุ่นเดียวกันเป็นฝูงไปมาหาสู่กันแล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่เป็นนิดการแต่งตัวของเด็กส า, สาวรุ่นนี้เป็นแบบเดียวกันหมดคือตัดผมบ๊อบหยิกผมนุ่งผ้าซิ่นสีเดียวกันทั้งผืนไม่มีเชิงไม่มีลายเหมือนกับผ้าถุงของมอน ใส่เสื้อแบบฝรั่งที่เปิดมาจากหนังสือแบบเสื้อแบบต่างๆกันแล้วก็สีต่างๆกันเริ่มต้นโดยผ้าซินยาวและเสื้อที่ยังมีแขนอยู่บ้างก่อนแต่นานวันเข้าผ้าซินที่นุ่งก็เริ่มจะหดสั้นขึ้นตามกระโรงแม่และก็สั้นขึ้นทุกวันจนน่ากลัวอันตรายเวลาที่จะนั่งจะลุกในสายตาของพลอยแม่มันก็คงจะดูหวาดเสียวนะคะตามภาษาพลอยที่นุ่งโจงกระเบนมาโดยตลอดที่แสนจะมิดชิด ส่วนเสื้อที่นิยมใส่กันก็กลายเป็นแบบฝรั่งจากเมืองนอกแท้คือเสื้อไม่มีแขนไม่มีเอวปล่อยเป็นรูปกระบอกหลวมๆยาวเลย เ, เลยสะโพกลงมาเล็กน้อยเมื่อใช้กับผ้าสิ่นที่หดขึ้นไปหาก็ทำให้มองเห็นผ้าสิ่นเป็นขอบเหลืออยู่นิดเดียวพรอยพยายามจะมองดูแบบการแต่งกายนี้ให้เห็นสวยก็ไม่สามารถจะมองเห็นทางนั้นได้เคยคุยกับประภัยประภัยก็หัวเราะแล้วก็บอกว่า สมัยนี้เขาก็ใส่กันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละค่ะคุณแม่ถ้าไม่สวยใครจะไปใส่เสื้อของคุณแม่เสียอีกแบบเก่าไม่น่าดูไพจะไปหามาให้ใ ห, ใหม่และประไพก็ไปหามาให้จริงๆด้วยเจตนาดีทําให้พลอยพูดไม่ออกพลอยรู้ดีว่าถ้าจะพูดถึงความรักฐานแม่ลูกประไพก็รักตนไม่น้อยไปกว่าลูกคนอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงในตัวประภัยนั้นเป็นไปตามกาลสมัยมิใช่เพราะประภัยตั้งใจขัดเจตนาของพลอยโดยใช่เหตุพลอยรู้ดีแล้วก็ยอมรับกับตัวเองว่าถ้าหากประภัยทาตัวตามที่พลอยอยากเห็นบางทีประภัยก็คงจะต้องอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่กับคนแก่ๆอย่างพลอยแล้วก็ไม่สามารถที่จะร่วมกลุ่มกับคนรุ่นราวคราวเดียวกันได้นะครับ ปัญหาของพลอยและประไพนี่ก็ไม่แตกต่างไปจากพ่อแม่ในยุคปัจจุบันนะคะก็คงจะหลายยุคมั้งที่รู้สึกมีปัญหาในเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวกับวัยรุ่นนะคะพลอยก็รู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของตนในการที่จะเข้าให้ถึงความรู้สึกแล้วก็จิตใจของลูกโดยเฉพาะประไพที่เป็นลูกสาวพลอยพยายามที่จะเข้าใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด แต่ถึงจะได้ใช้ความพยายามอย่างมากแล้วว่าตามบางครั้งพลอยก็รู้สึกว่าตนอยู่ห่างไกลกับลูกคนละโลกลำพังประภัยคนเดียวก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เวลาประภัยมีเพื่อนฝูงมาหาที่บ้านซึ่งส่วนมากก็เป็นเพื่อนนักเรียนโรงเรียนเดียวกันพลอยก็รู้ว่าเรื่องที่เด็กรุ่นใหม่คุยกันนั้นตนไม่สามารถจะเข้าใจได้ทีเดียวเพราะว่ามักจะคุยถึงเหตุการณ์ที่พลอย มีได้ไปร่วมด้วยและถึงคนอื่นๆที่พลอยไม่เคยรู้จักแม้แต่ชื่อเสียงทั้งหมดนี้ก็ทาให้พลอยอายเพื่อนฝูงของประภัยแล้วก็ต้องหลบหลีกไปนั่งที่อื่นเวลาที่ประภัยมีเพื่อนมาหาส่วนช้อยช้อยก็ยังคงไปมาหาสู่กับพลอยอยู่เป็นนิดแล้วก็เป็นคนที่คอยให้สติพลอยในเรื่องลูกได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าช้อยจะมีอายุมากขึ้นแต่ก็ยังคงแข็งแรงกระฉับกระเฉง ทันยุคทันสมัยทันเหตุการณ์ตอนนี้ช้อยอยู่เพียงลําพังคนเดียวในวังยังคงอยู่ที่ตําหนักเสด็จคุณสายและแม่ชั้นมารดา น, นั้นตายไปเสียแล้วในระยะเวลาที่ห่างกันไม่กี่ปีเมื่อพลอยพูดถึงเรื่องประภัยและการเปลี่ยนแปลงนินสัยใจคอตลอดจนกิริยาท่าทางชอยก็บอกว่าพลอยนี่ ช่างไม่ดูสังขารเสียบ้างเลยอย่างเราเนี่ยมันแก่ๆตามกันลงไปแล้วเด็กรุ่นใหม่เขากําลังจะเติบโตขึ้นมาเขาก็ต้องมีจิตมีใจมีท่ามีทางของเขาเองจะให้เหมือนอย่างเราอยู่ตลอดไปอย่างไรได้ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรหลบช้อยแต่บางทีฉันว่ามันดูออกจากเกินเกินไปบ้างดูเขากล้ากันนะักไม่สมกับเป็นลูกผู้หญิงเลย มันก็เป็นเหมือนกันทุกสมัยแหละพลอยคนแก่ก็ต้องเห็นคนสาวปราดเปรียวเกินไปกล้าเกินไปพลอยลองคิดถึงแต่ก่อนบ้างสิสมัยเมื่อเรายังสาวๆคุณอาสายบนปากเปียกปากแฉะเรื่องแม่พลอยบ้างเรื่องชั้นบ้างทำอะไรก็ไม่ถูกใจไปทั้งนั้นแต่เอาเข้าจริงเราก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรแต่สมัยก่อนผู้ใหญ่เตือนเราก็ยังฟังบ้างแหม ก็ฟังไปอย่างนั้นล่ะฉันเองก็เกือบจะไม่ได้ฟังเลยนะเพรารู้ว่าผู้ใหญ่ก็ต้องบนไปว่าไปมาเดี๋ยวนี้เป็นผู้ใหญ่เขาเองก็ยังไม่ลืมความหลังแต่ก่อนจะว่าเด็กก็ยังต้องระวังอยู่เสมอกลัวเด็กจะหาว่าฟุ่มเฟือยไปพลอยอย่าไปห่วงประภัยกันเลยคนเรามันเกิดมาเป็นสาวหนเดียวปล่อยเขาสนุกสบายไปตามเรื่องตามราวเถอะเราได้อบรมมาพอแล้ว ฉันเชื่อว่าเขาคงรักษาตัวเขาได้ชอยนี่ก็แปลกฉันรู้จักมาไม่รู้ว่ากี่สิบปีตั้งแต่เด็กด้วยกันจนเป็นสาวแล้วก็แก่มาด้วยกันฉันไม่เคยเห็นชอยมีความทุกข์ความมิตตกเหมือนคนอื่นเขาเลยเคยเห็นแต่โกรธแล้วก็ปึงปังประเดียวเดียวแล้วก็หายแล้วชอยก็สนุกได้ต่อไปอีกถ้ายังสาวอยู่ฉันก็พอจะเข้าใจแต่นี่เราก็อายุมากเข้าด้วยกันทั้งสองคน ช้อยทำยังไงนะถึงได้ไม่มีทุกข์กับใครเลยมองอะไรก็ดูมันง่ายไปหมดคนเราเกิดมามันก็ต้องแก่ต้องตายไปทุกคนฉันรู้อย่างนั้นก็เลยตั้งใจว่าจะสนุกเสียสักชาติหนึ่งเมื่อยังสาวๆก็ยังสนุกได้จริงอย่างที่แม่พลอยเห็นแต่พอแก่ลงชักใจไม่ดีอยู่ภาคหนึ่งเหมือนกันแต่ฉันก็มาได้คิดว่าความแก่ที่เรียก่าความทุกข์นั้น เป็นพ่อใจของเราแท้ๆทีเดียวร่างกายของเรามันก็ต้องแก่ด้วยกันทุกคนไม่มีใครห้ามได้แต่ความทุกข์มันอยู่ที่ใจที่ไม่ยอมแก่ถ้าใครเก็บใจไว้ให้สาวเมื่อตัวแก่แล้วก็คงจะต้องทุกข์หนักทีเดียวเพราะกายมันไม่ยอมทำตามใจเหมือนกับคนที่ยังเป็นสาวไปจับตัวคนแก่มาวิ่งแข่งคนแก่ก็ต้องแพ้เพราะวิ่งไม่ทันกล้กับใจก็อย่างนั้นเมื่อฉันคิดได้อย่างนี้ ฉันก็ทําใจให้แก่ไปตามตัวไม่ห้ามปลาไม่อับอายแล้วก็ไม่ไปรั้งมันไว้พอใจกับกายมันเดินทันกันตามภาษาคนแก่ด้วยกันมันก็เลยหมดทุกยังสนุกอยู่ได้เรื่อยๆตามภาษาคนแก่นั่งดูเด็กๆทาอะไรต่ออะไรให้เพลินๆไปบ้างแล้วก็เล่นกับความแก่ของตัวเองเมื่อยคบบ้างหูหนวกไปนิดนึงตาบอดไปหน่อยนึงฉันก็จดจาเอาไ ว, คว้คุยอวดพวกแก่ๆในวงัง เป็นเรื่องสนุกสนานคึกคืนทีเดียวเดี๋ยวนี้มีของเล่นใหม่คือวันหนึ่งหนึ่งก็แข่งกันว่าใครจะแก่กว่าใครฉันเรียกว่าเล่นทาแก่ก็สนุกไปอย่างหนึง่งเมื่อยังเด็กๆก็กนั่งคอยวันคอยคืนอยากให้ถึงเวลาจะได้โกนจุกอยากจะเป็นสาวเดี๋ยวนี้นั่งคอยวันคอยคืนจะให้หกสิบลูกหลานจะได้มารดน้ำฉันเองก็บอกไม่ถูกว่า เมื่อตอนเด็กหรือตอนแก่นี้ตอนไหนใจคอมันจะตื่นเต้นมากกว่ากันช้อยเตือนสติพลอยโดยบอกว่าตัวช้อยเองนั้นเป็นคนที่ยอมแก่คือเมื่ออายุมากขึ้นก็ไม่ปฏิเสธความแก่ เป็นคนที่ยอมแก่แล้วก็เร่งวันให้มันแก่ถ้าคิดได้แบบนี้ก็จะไม่ค่อยแก่เท่าไหร่แต่คนบางคนที่ดูแก่กว่าอายุเป็นเพราะอยากจะทำตัวให้สาวอยู่เสมอชอยบอกว่าอย่างฉันเป็นคนที่ชอบทำแก่จะแต่งเนื้อแต่งตัวฉันก็ไม่ค่อยจะกวดขันเอาพอสบายๆอย่างคนแก่ ใครเขาก็เห็นแต่ยายช้อยไม่นึกถึงว่าอายุจะแก่หรือว่าจะสาวก็เลยดูไม่แก่เท่าไหร่แต่คุณหญิงคุณนายบางคนที่ฉันรู้จักเขาไม่อยากจะแก่เอาซะเลยจะไปไหนมาไหนก็แต่งตัวให้สาวเกินตัวไอ้เครื่องแต่งตัวนั่นแหละมันกลับร้องอุดทนตะโกนบอกให้คนรู้ทั่วทั้งเมืองว่าเจ้าค่ะเอ้ยมาดูยายแก่ทําสาวใครเขาเห็นก็ต้องร้องว่าแก่เพราะเครื่องแต่งตัวมันคอยขับอยู่ให้เห็นอย่างนั้น เรื่องมันก็เพราะใจที่ไม่ยอมแก่อย่างที่ฉันว่าม้านั่นเองล่ะพลอยชอยพูดเรื่องทุกเรื่องในทํานองทีเล่นทีจริงแล้วก็ตลกขบขันแต่คำพูดของชอยเนี่ยก็มักเตือนสติให้พลอยได้คิดเสมอแล้วก็ทำให้พลอยสบายใจทำให้พลอยมองดูการกระทำและความคิดเห็นของลูกๆที่เติบโตด้วยอารมณ์ที่เป็นกลางมากกว่าเก่า มีเพื่อนแบบชอยนี่ก็ดีนะคะก็ไม่ได้เชิงว่ามองโลกสวยแต่เพียงอย่างเดียวแต่มองโลกแบบสบายๆ ย, ยอมรับอย่างที่มันเป็นวันคืนผ่านไปเหตุการณ์ต่างๆก็เกิดขึ้นแล้วก็จบลงตามปกติพรอยก็ใช้ชีวิตไปตามปกติไม่ได้มีอะไร เ, เป็นเรื่องราวใหญ่โต คือไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้คุณเปรมจะออกไปขี่ม้าแต่เช้านะคะทุกๆวันคือแทบทุกวันเป็นประจำพอคุณเปรมออกจากบ้านพลอยก็จะทำงานบ้านอย่างที่เคยทำแล้วก็จัดผ้าผ่อนเอาไว้ให้คุณเปรมผัดล้างกลับจากขี่มา้าแล้วก็อาบน้ำแล้วก็ดูแลอาหารเช้าตเตรียมเอาไว้ให้ตอนนี้คุณเปรมเนี่ยต้องการการปนิบัติมากกว่าแต่ก่อนนะคะพลอยทางานไป ก็นึกอะไรต่ออะไรไปผ l า g เหลือตูนาริกาก็รวม3โมงเช้าเข้าไปแล้วไม่รู้ว่าคนเดี๋ยวนี้ยังเข้าใจ3โมงเช้าอยู่ไหมคะอย่างดีท่านได้อยู่กับผู้สูงอายุ8โมงก็จะเรียก2โมงเช้า9โมงก็จะเรียก3โมงเช้านะคะมาคุยกับเด็กๆเดีเด๋ยวนี้บางทีเขาก็ ง, งงๆเหมือนกันก็คือประมาณ9โมงเช้านั่นแหละอยู่ๆคะ่ะ พลอยได้ยินเสียงคนเดินสับสนแรงๆที่ชั้นล่างของตึกได้ยินเสียงใครขึ้นบันไดมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ตาออดค่ะตาออดมาซุดตัวลงนั่งข้างๆพลอยแล้วก็พูดด้วยสำเนียงที่ไม่ปกตินักว่าเขาบอกว่าคุณพ่อตกมาอยู่แถวคลองเตยลูกจะเอารถไปรับแล้วตาออดก็รีบกลับลงไป ไม่ทันที่พลอยจะได้ซักถามอะไรตอนนั้นพลอยรู้สึกว่าตัวเย็นขึ้นมาครึ่งตัวแค้งขาหมดความรู้สึกกระดิกกระเดีย้ยไม่ไหวเหมือนกับมือเท้าอ่อนไปหมดจะคิดสิ่งใดก็ไม่ถูกจะพูดจาว่าอะไรก็ไม่ได้ทั้งสิน้นคือพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่รู้จะทําอะไรตอนนั้นพลอยกําลังเตรยียมอาหารให้คุณเปรเมมือหนึ่งกําลังหยิบกุ้งแห้ง เตรียมไว้จะให้เป็นเครื่องข้าต้มนะคะเสื้อผ้าคุณเปรมที่จัดใส่พานไว้ให้ในห้องก็ยังมองเห็นได้จัดประตูที่เปิดถึงกันสักพักใหญ่ๆก็มีเสียงรถยนต์เล่นกลับมาเสียงคนกลุ่มหนึ่งขึ้นบันไดามาช้าๆแล้วพลอยก็เห็นตาออดกับผู้ชายอีกสามสี่คนช่วยกันแบกร่างคุณเปรมขึ้นมาจากข้างล่าง ตาอดค่อยๆบรรจงวางร่างของคุณเปรมลงบนเก้าอี้ยาวที่คุณเปรมเคยนอนเล่นในขณะที่พลอยได้ตัดตกตะลึงพึงเพลิดตาอดหันมาทางพลอยน้ำตาไหลาอาบแก้มแล้วก็มานั่งชิดตัวพลอยพรางกระซิบว่าคุณแม่ทำใจให้ดีๆลูกยังอยู่ลูกไปถึงเมื่อกี้แก้ไขไม่ได้เสียแล้วคุณแม่ไม่ถือไม่ใช่หรือ ถ้าลูกจะเอาท่านกลับมาในบ้านลูกไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนจริงๆตะออดเอื้อมมือมาจับพลอยไว้พลอยได้ยินเสียงตัวเองพูดเหมือนกับเสียงคนอื่นพูดว่าบ้านนี้เป็นบ้านของคุณเปรมเมื่อเป็นปนอยู่ได้ทำไมเมื่อตายแล้วจะกลับมาไม่ได้พูดขาดคํา ก็จะยินเสียงตาอสสะอื้นแต่พรอยยังนั่งอยู่ในท่า ป, ปกติด้วยดวงตาที่แห้งผากพรอยยังไม่สามารถบังคับใจให้เชื่ออย่างอื่นได้นอกจากคุณเปรมออกไปขี่มา้าแล้วยังไม่กลับวันนั้นทั้งวันพรอยรู้สึกเหมือนกับฝันไปพี่น้องมาที่บ้านกันจนหมด แขกเรือก็ดูมากมายมีการรดน้ำศพเอาคุณเปรมใส่หีบหลวงตั้งเอาไว้พรอยนั่งอยู่ในห้องกลางข้างหน้ามีหีบศพคุณเปรมมีพระกำลังสวดพระอภิธรรมตอนนั้นค่ำแล้วพรอยทำทุกอย่างเหมือนกับเป็นเครื่องจักรคนที่มางาน พากันกระซิบบอกว่าพลอยเป็นคนใจแข็งข่มสติได้แต่คุณเชยกับช้อยตกลงว่าจะอยู่เป็นเพื่อนพลอยคือจะไม่กลับเวลาค่ำลงทุกทีอยู่ๆก็มีใครคนหนึ่งโผล่เข้ามาที่ตัวพลอยซอบหน้าลงกับตัก แล้วก็ร้องไห้ตาอ้นนั่นเองพลอยลดสายตาลงดูตาอน้นตาอ้นลูกของแม่พ่อตายก็ไม่ได้เห็นใจมัวแต่อยู่บ้านนอกนี่ใครคงจะบอกไปถึงได้รีบมาแต่คืนนี้พลอยยกมือขึ้นลูบผมตาอ้นเอ่อตาอ้นนะคะด้วยความเมตตา หูแววไปเหมือนได้ยินเสียงคุณเปรมบอกว่าลูกฉันเองแม่พ้อยไอออนฉันยกให้เห็นแม่พ้อยอยากได้ฉันก็ยกให้นี่คือวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนไม่ทันให้ตั้งตัว ในระหว่างที่ศพคุณเปรมยังอยู่ในบ้านพลอยก็เหมือนกับคนโดยทั่วไปนะคะคือตอนตอนที่เป็นช่วงงานศพเนี่ยคนมาเยอะแล้วก็มีเรื่องให้ทำมีเรื่องให้คิดยังไม่ค่อยรู้สึกว้าเวเท่าไหร่หลายคนที่มีประสบการณ์คนที่รักจากไปแล้วก็ต้องจัดงานศพนะคะก็คงพอจะนึกความรู้สึกนี้ออกยังง ง, ง, ง ยังไม่มีเวลาให้คิดยังไม่มีเวลาให้เศร้าในส่วนของพลอยก็เหมือนกันค่ะพลอยมีงานที่จะต้องทํามีเรื่องที่จะต้องคิดต้องทําบุญงานศพคุณเปรมทุกเจ็ดวันถึงแม้ว่าแต่ละเจ็ดวันลูกแต่ละคนแล้วก็พี่น้องทางคุณเปรมแล้วก็พลอยเนี่ยจะแบ่งกันเป็นเจ้าภาพแต่ก็ยังเป็นภาระที่พลอยต้องคอยดูแลอยู่นั่นเอง ทำบุญเจ็ดวันแล้วก็ยังมีห้าสิบวันร้อยวันตามธรรมเนียมการอบรมที่ได้รับมาตั้งแต่ครั้งอยู่ในวังเป็นประโยชน์ต่อพลอยมากนะคะเพราะว่าพลอยเคยผ่านงานประสบเจ้านายมาหลายครั้งทุกครั้งก็มีเรื่องที่จะต้องทาโดยละเอียดถี่ถ้วนมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะทาดอกไม้จัดของถวายพระจัดเครื่องกันเทศทาของเลี้ยงแขก งานที่เคยทำนั้นก็ช่วยรักษาจิตใจให้ยังคงอยู่ในระดับปกติได้บ้างเพราะว่าพอรู้แน่ว่าคุณเพรมตายภาระต่างๆที่รู้ตัวว่าต้องทำก็เข้ามาครอบงำความรู้สึกภารกิจและหน้าที่เหล่านั้นก็แบ่งเอาเนื้อที่ในหัวใจมีให้ความโศกสลดเข้ามาครอบงำแต่ฝ่ายเดียวจนสิ้นเชิงพี่น้องญาติมิตร ก็ให้ความเห็นใจให้ความอุปการะช่วยเหลือทุกอย่างทำให้พลอยรู้สึกตื้นตันในอุปการะคุณต่างๆที่ได้รับช้อยและคุณเฉยก็มาค้างที่บ้านแล้วก็นอนเป็นเพื่อนอยู่ในห้องเดียวกับพลอยทั้งสองคนช้อยกับคุณเฉยกรู้ดีนะคะคือรู้ใจพลอยว่าความทุกข์ของพลอยนั้นมันไม่ใช่ว่าจะปลอบให้หายได้ง่ายๆ ทั้งคู่พยายามที่จะหาเรื่องงินอื่นมาคุยกันเองแล้วก็ชักจูงความนึกคิดของพลอยให้หันเหไปทางอื่นคือไม่ปลอบตรงๆ<ม>ช้อยและคุณเชยนั่งคุยกันอยู่ได้จนดึกทุกวันไม่ปล่อยให้พลอยต้องนอนคิดถึงเรื่องราวต่างๆแต่ผู้เดียวส่วนกลางวันทั้งสองคนก็หาเรื่องเกี่ยวกับงานศพมาคอยปรึกษาหารือแล้วก็ชวนให้พลอยทํา คือไม่ยอมให้พลอยอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ยอมให้พลอยอยู่ว่างๆในขณะที่ทำงานชอยก็จะชวนคุยไม่หยุดปากด้วยถ้อยคำที่ตลกคบคันด้วยความคิดที่แปลกประหลาดโลดผลทำให้พลอยต้องยิ้มออกมาได้แม้แต่กำลังทุกข์ส่วนพอเพิ่มพี่ชายก็ทิ้งบ้านแล้วก็ลูกเมียมานอนอยู่ในห้องเดียวกับตาออดนานวันเข้าพอเพิ่ม ก็ชักจะมีคำพูดภาษาฝรั่งแทรกแซงเวลาจะพูดจะคุยทำให้ชอยและคุณเฉยเนี่ยต้องสะกิดกันทุกครั้งที่ได้ยินนะคะส่วนหลวงโอสดนั้นถึงแม้ว่าจะค้างไม่ได้เพราะว่าห่วงร้านห่วงคนไข้ก็มาร่วมกินข้าวเย็นอยู่ด้วยทุกวันเป็นประจำในกระบวนพี่น้องทุกคนคุณอุ่นดูเหมือนว่าจะรับเอาความตายของคุณเปรมไปใส่ใจมากกว่าคนอื่น เพราะว่าพอรู้ข่าวคุณเปรมตายคุณอุ่นก็ออกวิ่งกระหืดกระหอบขึ้นมาหาพลอยพอเห็นศพคุณเปรมคุณอุ่นก็ร้องไห้ดังๆแล้วก็ร้องไห้อยู่เรื่อยๆไม่เป็นอันทําอะไรได้กับทุกคนคุณอุ่นจะพูดว่าถ้าจะคุณเจ็บไข้อย่างธรรมดาก็ไปอีกเรื่องหนึ่งฉันจะได้ช่วยรักษาพยาบาลสนองคุณท่านแต่นี่เห็นกันอยู่หลัดหล แล้วก็มามีอันให้เป็นไปเพราะคุณท่านมีแก่ชั้นมากมายเหลือเกินหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วฉั้นได้พึ่งพาท่านมาตลอดแล้วก็ไม่เด็ดทดแทนพระคุณท่านฉันจึงได้ร้องไห้มากกว่าคนอื่นแม่พลอยเขามีคุณแก่ชันก็จริงแต่เขาเป็นน้องส่วนเจ้าคุณท่านเป็นคนอื่นแท้ๆยังมีใจอุปการะคนแก่อย่างชั้นไม่เคยนึกรังเกียจจะหาร่มโพร่รมใสอย่างนี้ไม่ได้อีกแล้วเจ้าประคุณ แล้วคุณอุ่นก็ร้องไห้คร่ำครวญต่อไปในขณะที่พลอยนั่งทํางานอยู่กับชอยและคุณเชยที่หลังตึกพอคุณอุ่นขึ้นบันไดคุณเชยก็จะสะ ก, กิดชอยแล้วก็กระซิบบอกว่านั่นแน่นางร้องไห้มาแล้วชอยก็จะบอกว่านั่นนะสิร้องจนชันนี่ออกจากสงสารแทบจะร้องตามเป็นลูกคู่ไปด้วยแล้วหลายครั้ง ต้องสะกดใจไม่ให้ร้องตามแทบตายอุยอยากร้องก็ร้องไปเถิดไม่มีใครคว้าหรอกฉันเองนานๆก็ร้องเสียทีเหมือนกันเอ้าอย่างคุณเชยกับคุณอุ่นไม่เหมือนฉันนี่คุณอุ่นเธอแก่แล้วแล้วก็เป็นพี่เมียร้องเท่าไหร่ก็ร้องได้อย่างคุณเชยก็อีกจะบีบน้าตาร้องไห้สักเท่าไหร่ก็ไม่มีใครสงสัยเพราะว่ามีคุณหลวงคอยค้าประกันอยู่ ส่วนแม่พลอยเขาก็เป็นธรรมดาถ้าไม่ร้องก็ต้องตีให้ร้องเพราะผัวเขาตายฉันคนเดียวเท่านั้นที่ลำบากกระอักกระอ่วนเพราะฉันยังเป็นสาวแล้วก็ตัวเปล่าคืนตัดจริตไปร้องเขา้าคนเขาก็จะสงสัยว่าอย่างไงยังไงเสียละมั่งชอยนี่ก็มีมุมให้คำมให้ตลกได้อยู่เรื่อยนะคะคุณเฉยก็เลยบอกแม่คุณ ฉันไม่รู้ว่าแม่ช่างไปเอาสติปัญญามาจากไหนช่างคิดรอบครอบระวังเนื้อระวังตัวแม้แต่กับคนที่ตายแล้วก็แน่ละสิรักษาตัวเป็นสาวมาห้าสิบกว่าปีจะมาเสียชื่อตอนนี้อย่างไหนได้ถ้าถูกหาความเมื่อคุณเปรมยังอยู่ก็ไม่สู้อะไรนักหรอกเพราะเธอจะได้ช่วยแก้ว่าคนอย่างใยญ่ช้อยฉันไม่แตกแต่เดี๋ยวนี้เธอก็ช่วยไม่ได้จึงจนใจต้องรักษาเอาเอง แต่ฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าอย่างช้อยเนี่ยถ้าเผื่อมีเรือนเลิอกผัวตายจะทำยังไงคุณเชยปรารพฉันก็คงจะร้องโอ้ปีไปสักสามวันเสร็จแล้วฉันก็จะนั่งคิดมรดกจะได้รู้ว่าตัวเองเป็นแม่หม้ายธรรมดาหรือว่าเป็นแม่ม้ายทรงเครื่องชอยหยุดนิ่งมัดเทียนที่ กำลังจัดเตรียมเอาไว้ถวายพระอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่าเวลาฉันคุยบ้าๆประบอยอย่างนี้อดคิดถึงคุณอาสายไม่ได้สักทีถ้ายังอยู่และได้ยินเข้าคงจะต้องดุข่มไปทีเดียวคำพูดของช้อยทำให้พลอยต้องอมยิ้มเพราะในใจของพลอยก็กำลังนึกถึงคุณสายอยู่เช่นกันเ้อ เมื่ออยู่ก็เต้นรับปรับกันไปประเดี๋ยวก็ดีประเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็ร้องไห้เสร็จแล้วก็ตายด้วยกันทุกคน ชอยนะั้นเป็นคนตลกนะคะแต่จริงๆก็เป็นคนตลกที่มีสาระแม้ว่าจะมองเห็นเรื่องต่างๆเป็นเรื่องตลกขบขันได้เสมอแต่มุมมองของช้อยก็ต้องบอกว่าเป็นมุมมองของคนที่เข้าใจโลกแล้วก็เข้าใจชีวิตสามารถที่จะอยู่กับความผันผวนในชีวิตได้อย่างชิลๆสบายๆอย่างเรื่องของความตายชอยก็นึกถึงความตายของตัวเองแล้วก็บอกว่า อย่างฉันเนี่ยก็คงจะถึงคราวเข้าวันหนึ่งจะผิดกับคนอื่นก็ตรงที่ว่าเวลาฉันตายใครพูดใครนึกถึงเขาก็คงจะหัวเราะไม่ร้องไห้เหมือนกับคนอื่นๆหรอกเรื่องคนตายนี่ฉันนึกนึกดูแล้วก็แปลกคุณเฉยจะเห็นด้วยกันหรือไม่ก็ไม่รู้ได้ฉันว่าคนที่เรารักมากๆหรือว่าคุ้นเคยมากๆนั้นไม่มีวันตายถึงตัวจะตายไปแล้วนานเท่าไหร่คนคนนั้น ก็ยังคงอยู่เหมือนกับคนเป็นๆในหัวใจของเรานั่นเองอย่างเสด็จนั้นทันสิ้นพระชนไปแล้วไม่รู้ว่ากี่ปีแต่เดี๋ยวนี้ฉันก็นึกว่าท่านยังอยู่ฉันรู้ดีว่าท่านโปรดอะไรไม่โปรดอะไรถึงท่านจะสิ้นพระชนไปแล้วฉันก็ยังคิดจะทำให้ถูกพระทัยอยู่นั่นเองต้องระวังตัวอยู่เสมอพ่อแม่แลวก็คุณอาสายที่ตายไปแล้วเหมือนกันอย่างคุณอานี่วิ่งร้ายเมื่อยังเป็นๆอยู่ เราก็พอจะหลีกเลี่ยงหนีได้เป็นครั้งเป็นคราวพอตายไปแล้วดูเหมือนจะตามติดตัวเที่ยวควบคุมไปทุกยุยาบทเนี่ยฉันก็นั่งพูดฟุ้งไปคนเดียวใครจะเห็นฉันเป็นบ้าไปหมดแล้วก็ไม่รู้คำพูดของช้อยคำให้พลอยรู้สึกอุ่นใจนะคะจริงๆถึงคุณเปรมจะตาย ก็ตายแต่ในสายตาและความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นแต่สำหรับพลอยนั้นคุณเปรมยังไม่ตายเลยระยะเวลาหลายสิบปีที่อยู่ได้กันมาทำให้พลอยรู้จักคุณเปรมดีกว่าใครทั้งสิ้นคุณเปรมจะชอบสิ่งใดหรือว่าไม่ชอบสิ่งใดพลอยก็รู้เมื่อเหตุการณ์อันใดเกิดขึ้นเหตุการณ์นั้นจะกระชดใจคุณเพรมทำให้เกิดอารมณ์ใด พลอยก็รู้ดีคุณเพรมจะมองชีวิตอย่างไรต้องการอะไรปรารถนาสิ่งใดพลอยก็รู้แก่ใจจนสิ้นถึงคุณเพรมจะตายความรู้สึกอันใกล้ชิดทุกอย่างเหล่านี้ก็ยังติดอยู่กับตัวเท่ากับคุณเพรมยังอยู่แล้วก็อยู่อย่างใกล้ชิดที่สุดเสียด้วยเพราะคุณเพรมอยู่ในตัวพลอยอยู่ในหัวใจพลอยตลอดไปไม่มีวันจะลืมเลือนได้ และที่สำคัญลูกของคุณเปรมก็ยังอยู่ถึงสี่คนตาอน้นตาอั้นตาออสและประภัยต่างก็กำลังแข็งแรงกำลังจะเริ่มชีวิตต่อไปทุกคนเหล่านี้ไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไข ข, ของคุณเปรมดอกหรือเมื่อคุณเปรมยังมีตัวอยู่พลอยก็ได้มอบตัวให้แก่คุณเปรมจนสิ้นเชิง มั่นใจว่าจะปฏิบัติตามใจคุณเฟรมไปจนตายจากกันแต่ถึงขนาดนี้คุณเฟรมก็ยังไม่ตายยังอยู่ในตัวพลอยยังอยู่ในลูกๆแล้วก็เป็นหน้าที่ของพลอยที่จะต้องปฏิบัติต่อไปตามความปรารถนาของคุณเฟรมทําชีวิตของตัวเองและก็ของลูกๆให้เป็นไปตามที่คุณเฟรมต้องการ คุณเปรมตายไปตาอ้นทำให้พลอยรู้สึกเมตตาและก็สงสารมากที่สุดเพราะว่าตาอ้นไม่ใช่ลูกแท้ๆของพลอยตาอ้นเกิดมาก็มีแต่พ่อคือคุณเปรมแล้วก็มีพลอยซึ่งตาอ้นรักเป็นแม่แต่ว่าแม่ตัวจริงๆของตาอ้นนั้น จะเป็นใครตาอ้อนก็ไม่เคยรู้จักเท่ากับว่าในชีวิตนี้ถ้าว่ากันตามสายโลหิตนะคะตาอ้อนก็มีคุณเปรมเพียงคนเดียวพอคุณเปรมตายตาอ้อนก็แสดงความเศร้าโศกนานกว่าใครทั้งหมดแล้วก็ดูเหมือนว่าจะยึดถือพลอยเป็นคนสำคัญในชีวิตมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเมื่อคุณเปรมตาย ตา อ, อ้นลาราชการมาอยู่บ้านได้เจ็ดวันและต่อจากนั้นก็กลับมาบ้านทุกๆเจ็ดวันแล้วก็ค้างที่บ้านคืนหนึ่งทุกครั้งที่ตะ อ, อ้นมาอยู่บ้านตโ อ, อ้นก็จะอยู่ใกล้ๆพลอยคอยดูแลรับใช้แล้วก็เอาใจอยู่ทุกฝีก้าวบางครั้งพลอยเห็นหน้าตาก็ดูรู้นะคะว่าร้องไห้คือตา อ, อ้นนี่เศร้ากว่าใครๆล่ะ การตายของคุณเปรมทำให้ตาอ้อนเป็นลูกกำพร้าเมื่อพลอยร้องไห้ตาอ้อนก็จะร้องไห้ด้วยตาอ้อนจะเป็นคนที่ไม่พยายามปลอบโยนพลอยเหมือนคนอื่นซึ่งสิ่งนี้ทำให้พลอยรู้สึกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือร่วมทุกนะคะมีความทุกข์ร่วมกันส่วนตาออดงานนี้ตาออดเป็นคนที่ได้เรื่องมากที่สุด ตาออดเป็นคนที่ตระเตรียมการงานทั้งหมดในระหว่างที่พลอยแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยยังตกใจสิ้นสติแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกงานรดน้ำศพคุณเปรมนั้นสาเร็จลงได้ด้วยตาออดตาอั้นเป็นคนเข้าไปแจ้งกระทรวงวังว่าคุณเปรมตายแต่ตาอั้นก็เข้าไปแจ้งเพราะว่าตาออดเนี่ยเป็นคนแนะบอกให้ไป ตลอดจนพี่น้องและก็มิสหายได้รู้กันทั่วถึงก็เป็นเพราะตาออสนี่แหละเป็นคนที่จัดการส่งคนออกไปบอกข่าววันนั้นทั้งวันตาออส ท, ที่เคยเป็นเด็กไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวกลับกลายเป็นผู้ใหญ่ที่บังคับบัญชาคนทั้งบ้านแล้วก็สั่งเสียการงานได้อย่างถูกต้องแม้แต่ตาอั้นซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่ได้เรื่องที่สุดก็ยังคงนั่งตะลึงทาอะไรไม่ถูก แล้วก็เชื่อฟังตาอ๊อแต่โดยดีพรอยมาคิดดูภายหลังก็เห็นว่าตาอ๊อสเป็นคนที่คุมสติได้ดีกว่าคนอื่นแล้วก็สามารถที่จะทําตัวเป็นผู้ใหญ่ได้ทันทีในยามฉุกเฉินแต่พอต่อมาอีกวันเดียวเมื่อตาอัน้นแล้วก็พี่น้องอื่นๆมาพร้อมกันหายตระหนกตกใจคือเรียกสติกลับมาแล้วนะคะสามารถที่จะจัดการกับธุระต่างๆได้เป็นปกติ ตาออดก็รามือแล้วก็กลับไปเป็นตาออดคนเก่าพ่อเพื่อมาค้างด้วยนะคะตาออดก็ได้คนถูกใจถูกค อ, อนั่งคุยกันแล้วก็คุยกันได้ไม่มีจบสิน้นนานๆตาออดก็จะมาปลอบใจแม่เสียทีหนึง่งแล้วก็ชวนคุยเรื่องอื่นๆพอให้พลอยได้คลายใจลงบ้างในขณะที่ประภยัย พลอยสังเกตเห็นว่าประภัยเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากนับตั้งแต่คุณเปรมตายจะพูดจะจากับพลอยหรือคนอื่นก็พูดอย่างผู้ใหญ่แต่ขณะเดียวกันพลอยก็สังเกตเห็นว่าประภัยเป็นผู้ใหญ่อย่างไว้ท่าแล้วก็เห็นว่าการที่คุณเปรมตายนั้นทำให้ประภัยมีอิสระเสรีในการที่จะทำตามใจชอบได้มากกว่าแต่ก่อนแต่อย่างหนึ่งที่พลอยเห็นแล้วรู้สึกไม่ชอบใจ คือการที่ประภัยจะร้องไห้แล้วก็แสดงความเศร้าโศกเฉพาะเวลาที่มีแขกมางานศพคุณเปรมกิริยาอาการที่ร้องไห้ก็ดูเหมือนว่าได้ผ่านการซักซ้อมมาก่อนแล้วว่าจะวางท่า ย, ยังไงถึงจะน่าดูมากที่สุดคือประภัยนี่เป็นคนนี่มีจริตจักระนะคะซึ่งสิ่งนี้พลอยนี่ไม่เป็นส่วนตาอันค่ะเป็นลูกคนเดียวที่เปลี่ยนไปมากตั้งแต่พ่อตายอาจจะเป็นเพราะว่า แต่อันเห็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นบุตรชายใหญ่ของคุณเปรมที่มีกับพลอยก็เป็นได้เมื่อคุณเปรมตายลงโดยกระทันหันตอนแรกๆ แ, แต่อันก็ดูงงๆเหมือนกับไม่แน่ใจว่าจะทำตัวยังไงถูกแต่ในที่สุดแต่อันก็ตัดสินใจได้ว่าต่อไปนั้นตนเป็นทายาทอันถูกต้องของคุณเปรมมีหน้าที่ที่จะต้องบังคับบัญชาคนในบ้านแทนบิดาแต่อันก็ดาเนินการต่อไปตามนั้น ถึงแม้ว่าพลอยจะเห็นว่าตาอั้นเข้าใจถูกแต่การกระทําของตาอั้นในบางกรณีพลอยก็เห็นว่าเกินไปเช่นตาอั้นจะมาสั่งเสียเอากับตัวพลอยเองในเรื่องต่างๆแล้วก็เริ่มพูดจากับน้องๆด้วยน้ําเสียงที่เป็นคําสั่งที่พลอยกินใจที่สุดคือการปฏิบัติตนของตาอั้นต่อตาอ้นผู้เป็นพี่ตาอั้นเริ่มแสดงกิริยาวาจาให้เห็นได้ทั่วกันว่าตาอ้นนั้น ขาดความสำคัญถึงจะเป็นพี่ก็เป็นแต่เพียงพี่ต่างท้องมีได้ทำให้ตะอน้นอยู่ในฐานะลูกชายใหญ่ผู้เป็นพายาทของคุณเปรมเวลามีงานศพตาอ้นก็จะออกหน้าแล้วก็ทิ้งตะอ้นเอาไว้เบื้องหลังซึ่งตะอ้นเนี่ยก็ยอมรับโดยดุดษนีอันนี้ก็ทำให้พลอยยิ่งรักแล้วก็ยิ่งสงสารตะอ้นมากขึ้นจะว่าไปนะคะ ด้านหนึ่งพลอยก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ตะอั้นเข้าสวมตำแหน่งของคุณเปรมในฐานะหัวหน้าครอบครัวแต่ว่าก็รู้สึกหนักใจแทนตะอ้อนแล้วก็ตะออสเพราะไม่แน่ใจว่าลูกผู้ชายสามคนนี้เนี่ยจะเกิดขัดใจกันขึ้นมาเมื่อไหร่ส่วนประภัยอันนี้พลอยไม่ห่วงเพราะรู้อยู่แล้วว่าตะอั้นรักแล้วก็ตามใจน้องสาวแต่วิตกว่า การรักและก็ตามใจของตาอั้นนั่นหละอาจจะทำให้ประภัยเหลืองไปอีกก็ได้เมื่อการทำบุญร้อยวันเสร็จสิ้นลงก็ถึงเวลาเผาศพคุณเปรมก่อนงานเผาศพคุณเปรมสักเดือนหนึ่งตลอดจนระหว่างที่เปิดศพคุณเปรมทำบุญก่อนจะเผาและแม้แต่วันเผาพรอย ก็ยุ่งอยู่กับธุรกิจการงานจนจําอะไรไม่ค่อยจะได้จําได้แต่ว่าญาติพี่น้องทางคุณเปรมเนี่ยทําพิธีกงเต็กเป็นการใหญ่เพราะว่าคุณเปรมนี่ก็มีเชื้อสายจีนนะคะมีหลวงจีนมาสวดเอิบ ก, กริกจนกระทั่งสว่างคนที่สนใจงานกงเต็กแล้วก็เห็นเป็นเรื่องสนุกก็คือพ่อเพิ่มแล้วก็ตาอ้อนปรึกษากันอยู่เป็นวักเป็นเวรว่า จะทำอะไรด้วยกระดาษแล้วก็เผาส่งไปให้กับคุณเพรมดีแต่ออสเนี่ยเป็นคนคิดเรื่องการทำบ้านทำเครื่องใช้แล้วก็รถยนต์นะคะที่จะเผาส่งไปให้ส่วนพ่อเพิ่มบอกว่าอะไรๆก็ส่งไปให้ได้หมดแล้วยังขาดอยู่อย่างเดียวเท่านั้นเองแต่ออสก็ถามว่าขาดอะไรพ่อเพิ่มก็บอกว่าขาดม้าไง ส้งสั่งให้เจ็กมันทำส่งไปให้สักฝูงหนึ่งมีอานมา้าเคื่องมา้าแล้วก็โรงม้าจนครบแต่แตาออดแยงว่าผมว่าอย่าดีกว่าป่านนี้คุณพ่อคงจะเข็ดขี่ม้าแล้วล่ะครับข้อสำคัญถ้าส่งไปให้จะโกรธเอาเสียด้วยเพราะจะหาว่าเราล้อพอเพิ่มก็บอกว่าเออจริงสิว่ายากจริงๆ จ, จะส่งอะไรให้อีกดีล่องส่งของที่ไม่เคยมีไปให้จะดีไหม เผือจะชอบบ้างต่ออก็ถามว่าอะไรอีกล่ะครับคุณลุงคือตาออกับพ่อเพิ่มเนี่ยปรึกษาหารือกันนะคะโดยที่พลอยเนี่ยแอบได้ยินคำตอบของพ่อเพิ่มทำให้พลอยซึ่งนั่งฟังอยู่ข้างในเนี่ยต้องหัวเราะแล้วก็ร้องไห้ไปพร้อมๆกันอีเล็กๆไงเจ้าคุณท่านไม่เคยมีเลยไปอยู่ทางโน้นเดี๋ยวไม่มีใครปรนนิบัติ ลุงจะให้เจ๊กทำรูปกระดาษสวยๆสักสิบตัวเผาส่งไปให้ตะออดฟังแล้วก็หัวเราะงองหายผมไม่รู้ด้วยนะคุณลุงเดี๋ยวคุณแม่ดูผมตายเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกนะลุงเคยถามเขาแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ว่าลุงกลัวแต่อย่างเดียวเท่านั้นกลัวอะไรครับกลัวท่านจะไม่รับนะสิเมื่อเป็นปนลุงเคยแนะให้ท่านลองมีดูบ้างแต่ท่านกลับบอกว่าจะมาทาให้ท่านตายเร็ว เดี๋ยวนี้ทันก็าตายแล้วเห็นจะไม่เป็นไรกระมังพอเพิ่มนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่เป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็หาเรื่องขำได้ตลอดเลยแต่ออส ก, ก็ถามว่าแล้วถ้าเผื่อส่งไปท่านก็ยังไม่รับคุณลุงจะทำยังไงแต่ออสซักต่อด้วยความสนุกพอเพิ่มก็บอกว่าไม่เป็นไรล็อกพออส ท่านไม่ใช้สอยก็เก็บเอาไว้ที่นั่นนั่นแหละอีกหน่อยลุงก็ตามไปทวงคืนเอามาใช้เองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้พลอยเนี่ยได้ขำบ้างอะไรบ้าง น, นะคะทีนี้พอก่อนจะเผาคุณเปรมวันหนึ่งมีพิธีกงเต็กที่บ้านตามที่กำหนดไว้พลอยต้องออกไปร่วมพิธี เพราะว่าทั้งตาอ๊อดและก็พ่อเพิ่มเนี่ยมาเร่งเราขอให้ออกไปให้ได้พอพลอยออกไปกว่าตาดูทรัพ์สมบัติแล้วก็เครื่องใช้ต่างๆที่ทำด้วยกระดาษก็เห็นรูปผู้หญิงสาวๆทำด้วยกระดาษตัว ย, ย่อมกว่าคนจริงๆเล็กน้อยยืนอยู่สิบคนนะคะในมือก็ถือพัดบ้างบุหรี่บ้างถ้วยแก้วน้ำแล้วก็ของใช้อื่นๆ ที่คอของรูปเหล่านั้นเนี่ยมีป้ายกระดาษแขวนไว้นะคะบนป้ายกระดาษก็จะบอกชื่อจนครบทุกคนพอเพิ่มนั้นเมื่อตกลงใจจะทําอะไรก็ทําจนละเอียดละออไม่มีอะไรขาดหรือบอกชื่อด้วยนะคะรอแลไปสบตาพอเพิ่มแล้วก็ต้องเหมือนหน้าไม่ใช่อะไรไม่อยากหัวเราะออกมาในยามเช่นนั้นนะคะพิธีรีตองแล้วก็แขกเหลือที่มาในงานศพของคุณเปรม ก็ทำให้พลอยไม่มีเวลาที่จะนึกถึงอะไรมากนะักจนกระทั่งเผาศพคุณเปรมเสร็จเรียบร้อยตอนเช้าเก็บกระดูกคุณเพรมเข้าแ ก, บกับเข้าบ้านนะคะแล้วก็เอาโกรดกระดูกของคุณเพรมเนี่ยเอาไปตั้งไว้ในที่ที่จัดเรียมไว้แล้วตอนนั้นนั่นเองค่ะความว้าเหวในชีวิตก็ดูเหมือนจะถาโถมเข้าจู่โจมหัวใจของพลอยอย่างกะทันหัน ตอนที่คุณเพมยังไม่ได้เผาศพคุณเพมยังอยู่ในบ้านตลอดมาเป็นเครื่องหมายเตือนความรู้สึกว่าคุณเพมยังอยู่ใกล้ๆแล้วก็มีงานมีการที่จะต้องทาให้เสร็จล่วงไปนะคะพลอยเองก็ต้องหากับข้าวของกินต่างๆที่คุณเพมเคยชอบเนี่ยจัดหาใส่สำรับไปตั้งเส้นสดแต่ขณะ น, นี้ทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จสิ้นไปหมดแล้ว ทุกอย่างก็กลับดูว่างเปล่าผู้คนญาติพี่น้องที่มาช่วยงานต่างคนก็ต่างกลับพรอยต้องกลับเข้าสู่ชีวิตปกติชีวิตที่ไม่มีคุณเปรมพรอยยังงงจับต้นชนปลายไม่ถูกครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พรอยรู้สึกว่าคุณเปรมนั้นจากไปนานนักนาะ จะมองหาอะไรที่จะเป็นเครื่องหมายบอกให้รู้สึกถึงคุณเพรมก็ดูจะไม่มีสักอย่างเดียวถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงจะมีรูปมีคลิปมีอะไรต่ออะไรมากมายนะคะแต่สมัยนั้นคงเหลือแต่โกดกระดูเตือนใจให้รู้ว่าคุณเพรมจากไปแล้วอยากไม่มีวันกลับ ปล่อยซุดตัวลงนั่งบนพรมที่ปูไว้กลางห้องหันหน้าไปทางม้าหมูที่ตั้งกระดูคุณเปรมเอาไว้สายตานั้นมองเลยทะลุฟ้าตึกแล้วก็มองต่อไปอีกไกลเห็นทุ่งกว้างใหญ่มีน้ำเจอแล้วก็ดอกบัวบานเต็มเด็กซอกสาวสองคนนุ่งห่มผ้าสีสด กำลังพายเรืออยู่อย่างรื่นเริงแล้วก็มีคนแก่นั่งกลางพายไปจนถึงหน้าวัดที่มีเรือแพแน่นคนหนุ่มๆอีกคนหนึ่งนั่งพายหัวเรือแหวกฟูงเรือเข้ามากลางลําเรือมีหม้อหาใส่เครื่องขนมจีนเอาไว้เต็มภาพที่เห็นนั้นเคยเกิดขึ้นจริงๆนานนัดหนามาแล้ว นานหรือเกินคุณแม่คุณแม่มานั่งอยู่คนเดียวพลอยเหลยวไปดูข้างหลังก็เห็นตะอ้นเนี่ยเข้ามานั่งใกล้ๆตอนนี้ตะอ้นเป็นหนุ่มใหญ่แข็งแรงรูปร่างผอมเกรง็ง ผิวค่อนข้างคล้ำนะคะเพราะว่าไปเป็นทหารอยู่บ้านนอกผิดกับตะอ้อนเมื่อครั้งเป็นเด็กซึ่งเป็นเด็กอ้วนขาวและก็น่ารักตาอ้อนมาลาพลอยโดยบอกว่าจะต้องลากกลับรถเที่ยงวันนี้นะคะตั้งใจจะเข้ามากราบลาคุณพ่อแล้วก็พอดีเจอพลอยอยู่ในนี้พลอยก็ใจหายคะ่ะยกมือลูบผมตะอ้อน แล้วก็พูดทั้งน้ำตาว่าโอนอย่าเพิ่งไปไม่ได้เด้อลูกอยู่เป็นเพื่อนแม่ก่อนเผาศพคุณพ่อแล้วแม่ว้าเวยางไรชอบกลอยากให้ลูกๆได้อยู่ที่บ้านแต่โอนก็อึกอักเลยค่ะจริงๆเนี่ยก็คงอยากจะอยู่เป็นเพื่อนพลอยนะคะแต่ทำอย่างไรได้เพราะว่าต่อโอนนั้นเป็นทหาร ตอ้นก็เลยบอกว่าผมลาเข้ามาได้เท่านี้เองจะขึ้นไปสักเจ็ดวันแล้วก็จะรีบกลับมาใหม่ให้ทันทำบุญกระดูคุณพ่อเมื่อไหร่เขาใช้อ้นกลับเข้ามาอยู่กรุงเทพอ้นไปอยู่แถวบ้านนอกนานเต็มทีไม่หาทางคิดกลับเข้ามาบ้างหรือลูกผมก็อยากกลับเหมือนกันครับคุณแม่ยิ่งตอนนี้ยิ่งอยากกลับมากที่สุดอยากมาอยู่ใกล้ๆคุณแม่ แต่ได้ยินว่าคงจะต้องถึงปีหน้าจึงจะย้ายได้พลอยก็ถอนใจหมดปัญญาที่จะทักทานคนแก่แล้วก็ต้องแก่ไปตายแล้วก็ต้องตายไปคนที่ยังหนุ่มก็มีหน้าที่การงานที่จะต้องทำต่อไปไม่มีใครห้ามได้เมื่อทําบุญเจ็ดวันกระดูคุณเปรมแล้วนะคะ พลอยก็เริ่มสำรวจตรวจตราดูสถานการณ์รอบๆตัวเรื่องสำคัญที่ต้องจัดการก็คือหุ้นส่วนทรัพย์สินแล้วก็รายได้ต่างๆคือแต่ก่อนนั้นพลอยได้แต่รับเงินคุณเปรมได้เป็นคนดูแลแล้วก็จัดการแล้วก็เอาเงินมาให้พลอยในแต่ละเดือนนะคะพลอยก็เก็บคือได้มาเนี่ยก็เอามาจับจ่ายใช้สอยภายในบ้านเหลือเท่าไหร่ก็เก็บเอาไว้เป็นตัวเงิน ถ้าหากคุณเปรมจะเรียกใช้สอยอย่างไรพลอยก็มีใจให้เสมอแต่พลอยเนี่ยไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องถึงกิจการต่างๆคือพลอยนี้ไม่รู้เรื่องว่าคุณเปรมมีกิจการอะไรบ้างนะคะก็แบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนทีนี้พอคุณเปรมไม่อยู่พลอยก็รู้ดีว่ากิจการต่างๆเนี่ยจะต้องมีคนมาดูแล แ, แทนพอทำบุญกระดูคุณเปรมเสร็จ พลอยก็เลยถือโอกาสพูดขึ้นในขณะที่ลูกๆอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาว่ากิจการต่างๆของคุณเปรมนั้นจะเอาอยางไรกันในส่วนตัวของพลอยนั้นอยากจะให้ลูกๆมาช่วยดูแลแทนเพราะว่าตัวพลอยเองไม่เคยทำและก็ถ้าให้ทำก็คงจะทำไม่ไหวตาออดเป็นคนที่พูดขึ้นก่อนว่า คุณแม่ดูแลไปเองก็แล้วกันครับไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรใครอยากได้อะไรก็บอกคุณแม่ดูเหมือนว่าจะดีที่สุดปรากฏว่าทุกคนนิ่งแต่พลอยก็ยังคงยืนยันว่าแม่ก็บอกแล้วว่าแม่ดูไม่ไหวแกลงทุกวันคุณพ่อเสียแล้วก็อยากจะหาความสบายบ้างแม่ก็อยากให้ลูกทำแทนจะให้ใครทำแต่คนเดียว หรือว่าจะช่วยกันทำหลายคนก็ได้ตาอ้นก็ออกตัวนะคะ บ, บอกว่าผมเองก็เห็นจะช่วยไม่ได้เพราะว่าต้องอยู่บ้านนอกถ้าคุณแม่จะให้ลูกทำผมว่าควรจะมอบให้อ้นเขาทาเพราะเขาเป็นหมอกฎหมายมีความรู้ทางนี้ดีกว่าคนอื่นพลอยก็หันไปถามแตอ่อ้นนะคะว่าว่าอย่างไรถ้าคุณแม่จะให้ผมทำก็ต้องทำ แต่ผมเห็นว่ามรดกของคุณพ่อควรจะแบ่งกันเสียให้เรียบร้อยจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังคุณพ่อตายทำพินัยกรรมยกให้คุณแม่ทั้งหมดตะออดพูดขึ้นงั้นเหรอทำไมคุณแม่ไม่บอกเรื่องนี้กับผมบ้างแต่อันถามอย่างไม่รู้แล้วก็หันมาคาดคันหาคำตอบเอาจากพลอยนะคะแล้วก็ดู ท่าทางเนี่ยเอาจริงเอาจังเหมือนกับการซักพยานเลยทีเดียวพลอยก็ปกใจแม่แม่ไม่รู้คุณพ่อตายแล้วออสเขาบอกให้แม่ค้นดูในตู้ก็ไปพบเข้าแต่แม่ก็ไม่เห็นว่าสำคัญอะไรเพราะถึงทรัพย์สมบัติจะเป็นของแม่ก็เท่ากับเป็นของลูกๆอ่านแล้วก็ลืมซะเพราะคุณพ่อเพิ่งตายมัวจะตกใจ แล้วก็เพิ่งจะมานึกออกตอนที่ออดเขาพูดขึ้นออถ้าอย่างนั้นคุณแม่จะให้ใครดูแลแทนก็ต้องแล้วแต่คุณแม่เองอุ่นเขาก็บอกแล้วว่าอันควรจะรับไปทำแม่ก็เห็นด้วยถ้าคุณแม่จะให้ผมทำผมก็ต้องทำผมรับได้แค่นี้ก่อนส่วนจะทำได้แค่ไหนก็ต้องดูกันไป ก็แล้วแต่อันจะเห็นดีเถอะลูกอันก็เป็นผู้ใหญ่มีวิชาความรู้แม่ก็วางใจได้แต่ออสเวลานี้ก็อยู่เปล่าๆแม่อยากให้เขาช่วยอันอีกคนจะได้รู้เรื่องทำมาหากินแม่อยากให้อันออนน้องไปทำด้วยแต่อันมองดูหน้าตาออสเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรนักหนาทำคนเดียวก็พอถ้าทำหลายคนก็จะยุ่งกันเปล่าๆถ้าคุณแม่จะให้ผมทา ผมก็อยากทำคนเดียวสำหรับออสผมเห็นว่าว่างงานมานานแล้วควรจะหางานอย่างอื่นทำให้เป็นหลักเป็นฐานแน่นอนน่าจะดีกว่าแต่อสมองดูหน้าพลอยแล้วก็ยิ้มไม่ว่ากะไร Art, ออจะโกรธเรานะเราเจตนานดีต่อออสจริงออสเองก็กลับมานานแล้วงานการก็ยังไม่เห็นทำเรารู้สึกลาคาญแทน วิชาความรู้ของออสก็มีทำไมไม่ทำงานอย่างคนอื่นเขามวัวแต่นั่งอยู่กับบ้านเฉยๆไม่เห็นจะดีอะไรเลยแต่ก่อนเราก็ไม่อยากจะพูดเพราะคุณพ่อยังอยู่เห็นท่านไม่ว่าอะไรเราก็ไม่กล้าพูดแต่ที่คุณพ่อเสียแล้วเราก็เป็นพี่ของออสพี่อันก็เลยจะเป็นคุณพ่อแทนแต่ออสต่อให้เสร็จแล้วก็หันไปถามพี่ชายอีกคนหนึ่งว่าพี่อ้นละ่ะว่ายังไงบ้าง พี่ไม่ว่าอะไรหรอกออสแต่อ้นหัวหรอะอ้าวไม่ช่วยกันเป็นคุณพ่อแทนบ้างเหรอแต่ออสถามแบบเย้าวต่อไปไม่ได้หรอกโ ต, โตโตด้วยกันแล้วออสเรียนมาสูงกว่าพี่อีกควรจะรู้ดีกว่าว่าอะไรดีอะไรไม่ดีพี่รู้ใจดีว่าถ้าขืนเตือนออสออสก็จะไปอีกทางหนึง่งให้ตรงข้ามกับที่เตือนเสียนั่นแหละมากกว่าพี่อ้นก็เป็นซะอย่างนี้จะช่วยกันพูดบ้างก็ไม่มี อ, อ, อ๋อจะถือดีไปนักเลยนะ่ะเชื่อเราเถอะรีบหางานทำบ้านเมืองไม่อยู่อย่างนี้ตลอดไปหรอกนะคงจะต้องเปลี่ยนแปลงไปวันหนึ่งคอยดูไปเถอะต่อ๋อถัวเลาะชอบใจกับคำพูดของแต่อันแล้วใครจะเป็นคนไปเปลี่ยนมันเข้าละ่ะพี่อันแต่อันเหลียวมามองหน้าต่อ๋ออย่างเคืองๆอ๋ อ, อ, อ, อ่าพูดนอกเรื่องของทุกอย่างก็ต้องมีเปลี่ยนแปลง จะหยุดนิ่งอยู่คงที่ยังไงได้บ้านเมืองก็เหมือนกันต้องหมุนเวียนไปเรื่อยๆใครอยากจะอยู่ก็ต้องหมุนตามไปให้ทันถ้าใครไม่ยอมเดินไปข้างหน้าแต่จะยืนอยู่กับที่คนนั้นก็เป็นคนโง่พลอยรู้สึกอึอดอดัดไม่อยากจะเห็นลูกๆทะเลาะ ก, กันแต่เดี๋ยวนี้ดูเหมือนว่าจะมีขึ้นบ่อยๆตาอั้นกับประภัยเป็นฝ่ายนึง ต อ, อ้นกับตาออสก็เป็นอีกฝ่ายหนึ่งเวลาจะปรึกษาหาหรืออะไรกันก็มักจะพูดจากระทบกระแทกกันอยู่เสมอออสก็ดีแต่จะพูดเล่นพี่เขาจะตักเตือนด้วยเจตนาดีออสก็เห็นเป็นเล่นไปหมดควรจะฟังเขาให้ดีๆพี่ก็ต้องรักน้องอยู่เป็นธรรมดาเห็นอะไรไม่ดีก็ต้องเตือนกัน คำพูดของพลอยดูเหมือนว่าจะทำให้ตาอั้นเนี่ยคลายความโกรธลงไปได้บ้าง น, นะคะแต่ตาออดกลับหัวเราะพรหมมาจะโลกาอะไรกันออดพูดไม่เป็นเรื่องพลอยพูดขึ้นอย่างไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆตาออดก็พรหมมาจะโลกาอา้าวผมนึกว่าคุณแม่อยากฟังพี่อั้นเทศก็เลยตั้งใจจะอารัธนาให้ ตาออสตอบอย่างนึกสนุกนะคะตา อ, อ้นซึ่งกําลังยกแก้วน้ําดื่มเนี่ยสําลักน้ําดังพรวดใหญ่แล้วก็รีบลุกหนีจากโต๊ะไปยืนโผล่หน้าต่างพลอยเห็นได้จากด้านหลังว่าตา อ, อ้นกําลังหัวเราะอย่างท้องคัดท้องแข็งตา อ, อั้นมองดูตา อ, อ้นแล้วก็ดูตาออสซึ่งกําลังนั่งอมยิ้มตา อ, อันลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วก็พูดเสียงเรียบเรียบว่า ก็เห็นจะไม่มีอะไรอีกแล้วผมจะได้เริ่มไปทําตามที่คุณแม่สั่งต่อไปนี้ถ้าคุณแม่ต้องการอะไรหรือมีธุระอะไรบอกผมคนเดียวดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วต่อั้นก็เดินกลับไปเข้าห้องทิ้งปล่อยให้นั่งอยู่กับประภยัยตาออสแล้วก็ตาอน้นอั้นเดี๋ยวนี้โกรธง่ายไม่เหมือนแต่ก่อนออสก็ไม่ควรจะไปยุ่วพี่เขานัก ไพ่เห็นใจพี่อั้นเป็นที่สุดพี่อั้นเป็นคนชอบทําอะไรทำจริงไม่ทำเล่นเมื่อมาเจอคนที่ดีแต่เล่นเข้าก็ต้องเคืองเป็นธรรมดาพี่ก็เห็นใจพี่อั้นเหมือนกันแหละประไพแต่คนอย่างพี่อัน้นมีคนเอาใจอยู่มากแล้วจะไปทางไหนก็เห็นแต่คนนับถือนานๆมีคนยั่วให้โกรธบ้างก็น่าจะดีพี่จะยินเขาว่าความโกรธนั้นเป็นประโยชน์แกไตนะมันช่วยให้ใตาทางาน ไพ่ไม่เห็นจะดีอะไรเลยการที่มีคนนับถือพี่อั้นมากก็เพราะพี่อั้นเป็นคนทําอะไรทําจริงมีงานการทําเป็นหลักเป็นฐานแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจสูงคิดแต่จะทําให้บ้านเมืองดีขึ้นภพยเองก็ยอมรับตรงๆว่าภายนับถือพี่อั้นยิ่งกว่าใครนับถือมากกว่าคนบางคนที่นั่งกินนอนกินอยู่กับบ้านเฉยๆการงานก็ไม่เห็นทําปรากฏว่า แตออส ก, กลับไม่ถือสาหัวเราะอย่างรื่นเริงก่อนจะบอกว่าก็ใครจะว่าอะไรเล่าพี่อันก็มีคนนับถือมากพี่ก็ยินดีด้วยอยากจะให้คนนับถือเข้ายิ่งยิ่งขึ้นไปแต่พายอย่าลืมว่าคนไม่ได้เรื่องได้ราวอย่างพี่ก็มีประโยชน์อยู่มากกันกันมีประโยชน์ยังไงเอา้าก็พี่เป็นน้องพี่อันใครก็ดูพี่อัน เขาก็จะหันมาดูพี่ทุกครั้งไปเพราะเขาเห็นพี่ไม่ได้เรื่องเขาก็จะต้องเห็นพี่อั้นดีขึ้นไปอีกเหมือนกับเอาผ้าสีเทามาวางเทียบไว้กับผ้าสีดำใครเห็นใครก็ต้องว่าผ้าผืนสีเทาเนี่ยเป็นผ้าขาวเพราะสีดำมันช่วยขับให้ขาวถ้าพี่อั้นไม่มีพี่เอาไว้ช่วยขับให้ดูเด่นคนเขาก็คงจะไม่นับถือเท่าไหร่นะหรือถ้าพี่เป็นคนดีอย่างพี่อัน้น คนเขาก็คงไม่ตื่นเต้นอย่างดีก็คงจะพูดกันว่าลูกของคุณแม่หรือว่าลูกพญาบทมานเขาดีทุกคนรัศมีพี่อันก็จะหมดไปแยบคราวนี้ประไพลุกขึ้นยืนแล้วก็บอกว่าพูดกับพี่ออสเสียเวลาเปล่าไพ่นัดกับเพื่อนๆจะไปซื้อผ้าตัดเสื้อนี่ก็ถึงเวลาแล้วแล้วประไพก็เดินหลีกหายไปอีกคนหนึ่ง ตาออดเดินมาคุกเข่าที่หน้าพลอยเอาแขนทั้งสองข้างโอบหัวเข่าพลอยไว้แม่ทูลหัวของลูกแม่เห็นว่าลูกเลวจริงๆอย่างคนอื่นเขาหรือเปล่าพรอยยกมือลูบหัวตาออดด้วยความเอ็นดูแม่รู้ว่าออดลูกของแม่เป็นคนดีถ้าออดอยากจะทําอะไรออดก็ทําได้ดีไม่แพ้คนอื่นแต่ที่แม่ไม่เข้าใจ คือทำไมออสไม่ทำแต่ออสเอาหน้าซบลงกับตักของพลอยลูกเองก็ไม่รู้ชีวิตคนเรามันสั้นเหลือเกินสั้นจนน่ากลัวเวลาที่ได้อยู่ใกล้คนที่รักอย่างแม่ลูกก็อยากจะเกาะไว้ให้นานที่สุดไม่อยากจะไปห่างอยากจะอยู่ใกล้ๆแม่อย่างนี้พลอยใจหาย เมื่อได้ยินคำพูดที่ออกมาจากหัวใจของตะออดเหลียวดูหน้าตะอ้อนก็เห็นตะอ้อนยิ้มอย่างเข้าใจแล้วก็เห็นใจพรอยได้แต่นั่งนิ่งๆมือลูกหัวตะออดอยู่ไปมาคนที่อยู่ด้วยขนาดนั้นคนหนึ่งเป็นลูกของตัวแท้ๆอีกคนหนึ่งไม่ใช่แต่ทั้งสองคนดูเหมือนจะรักแล้วก็เป็นห่วงพรอยยิ่งกว่าคนอื่นๆที่พรอยรู้จักทั้งหมด แล้วก็เป็นคนเพียงสองคนที่พลอยรู้สึกว่าสามารถเข้าถึงตัวได้ใกล้ชิดทุกเวลาพลอยเคยได้ยินคำทานายเก่าๆ เ, เกี่ยวกับโชคชะตาของบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยสาวๆบางก็บอกว่าเป็นพุทธธรรมนาย บ้างก็บอกว่าเป็นคำทำนายของรัชกาลที่หนึ่งแต่เนื้อความนั้นก็รับกันว่าตั้งแต่สร้างกรุงนั้นจะมีพระมหากษัตริย์เสวยราชต่อเนื่องกันมาจนนับได้ร้อยห้าสิบปีเมื่อครบร้อยห้าสิบปีแล้วก็สิ้นพระราชอำนาจพรอยได้ยินคำทำนายนี้แต่แรกพรอยยังเป็นเด็กรุ่นสาวอยู่ในวงัง ผู้เฒ่าผู้แก่บางคนกระซิบกระซาบเล่าให้ฟังราวกับเป็นเรื่องลึกลับเสียนักหนาเมื่อได้ยินแต่แรกพลอยก็ไม่ได้สนใจเท่าไหรนะ่นักเพราะถือว่าเป็นคำพูดของคนแก่หรือว่าคนโ บ, บราณประกอบกับตอนที่ได้ยินเป็นเวลาครบร้อยห้าสิบปีคือตอนที่ได้ยินเนี่ยยังไม่ครบนะคะแล้วก็คือ ย, ยังอีกนานนานจนคาดไม่ถึง ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรกันแน่เพราะฉะนั้นเรื่องที่กระซิบกระซาบสื่อต่อกันมาจึงดูเป็นเรื่องที่เหมือนเป็นข่าวลือแล้วก็เป็นอนาคตที่เลื่อนลอยแล้วก็ไม่น่าสนใจสำหรับพลอยแต่พลอยก็ได้ดำรงชีวิตมาจนใกล้จะถึงระยะเวลานั้นนะคะยิงไกลหว่านเข้ามาเสียงเล่าเสียงลือเกี่ยวกับคำทำนายก็ดูจะดังหนาหัวขึ้นมาอีก แต่คําทํานายคงไม่ได้ทําให้พลอยบังเกิดความน่าเชื่อถื อ, อคงไม่ทําให้พลอยเกิดความเชื่อถือมากไปกว่าเดิมภ้าถ้าเหตุการณ์บ้านเมืองทั่วไปเนี่ยจะดูเรียบร้อยเป็นปกติไม่มีเหตุการณ์หรือว่าอาการใดๆที่จะสําแดงให้เห็นว่าจะเกิดมีการกรบฏจะลาจนแต่ปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์บางอย่างนะคะ ที่ทำให้พลอยไม่สบายใจแม้ว่าพลอยจะไม่เชื่อคำเล่าลือต่างๆนั้นสักเท่าไหร่ในช่วงนี้พี่น้องเพื่อนฝูงของพลอยก็พูดถึงเรื่องเหล่านี้อยู่บ่อยๆ อ, อย่างเช่นวันหนึ่งพลอยพูดกับพ่อเพิ่มว่าคุณหลวงทาไมคนสมัยนี้าถึงชอบพูดเรื่องอะไรที่ไม่ค่อยเป็นมงคลกันซะเลย พอเพิ่มก็ถามว่าเรื่องอะไรเล่าแม่พร้อยก็เรื่องคําทํานายที่ว่าครบร้อยห้าสิบปีแล้วจะสิ้นพระราชอํานาจจะเปลี่ยนเบชววงศ์บ้างในหลวงจะหมดอํานาจบ้างฉันฟังฟังดูแล้วก็กลุ้มใจไม่รู้ว่าจะเชื่อข้างไหนถูกแม่พร้อยก็เชื่อกับเขาเหมือนกันหรือพอเพิ่มถามยิ้มยิ้มไม่เชื่อหรอก ฉันเคยได้ยินคนแก่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังตั้งแต่อยู่ในวังตอนนั้นฉันก็ไม่เคยเชื่อเห็นเป็นคำคนแก่แล้วก็นึกซะว่าช่างเถอะคนแก่ก็พูดไปตามระษาคนแก่แต่เดี๋ยวนี้พูดกันซุบซิบไปหมดแม้แต่คนหนุ่มคนสาวฉันก็ไม่เห็นอะไรผิดสังเกตยังมองไม่เห็นทางที่คำทํานายนั้นจะเป็นไปได้เลย แต่ทำไมคนเ็าชอบพูดกันนักก็ไม่รู้พอเพิ่นบอกว่าไอชั้นเองก็ไม่ได้เชื่อถืออะไรนะแต่ก็นั่นแหละนะปากคนก็ชอบพูดกันไปคนหนึ่งพูดขึ้นอีกคนหนึ่งฟังแล้วก็พูดกันต่อๆไปอีกพูดกันหลายคนฟังกันหลายคนเข้าก็เลยกระซิบกันตนแซร่ไปทั้งเมืองทีนี้ก็เลยชวนกันเชื่อคาพูดของตัวเองของแบบนี้มันห้ามยาก คนอื่นๆทั่วไปจะพูดอะไรหรือว่าจะเชื่ออะไรก็ช่างเถอะแต่ที่ฉันเห็นว่าแปลกก็คือคนที่ไม่น่าจะเชื่อของเหล่านี้ท่านก็ยังพลอยเชื่อไปด้วยตรงนี้สิชอบกอนพลอยก็ถามว่าใครกันก็เจ้านายนะสิเรื่องเกี่ยวกับตัวท่านเองในทางไม่ดีทำไมท่านเชื่อก็ไม่รู้จากนั้นพ่อเพิ่มก็ให้เหตุผลบอกว่า พอเพิ่มไปรู้อย่างไรไว้ท่านเชื่อเอาก็ถ้าท่านไม่เชื่อท่านจะต้องลุกขึ้นฉลองพระนครทําไมกันถ้าไม่จะต้องฉลองให้เป็นการเอ่ยกระริกมโหรานพรอยรู้เรื่องการฉลองพระนครแล้วก็การเปิดสะพานใหม่ข้าแม่น้ําเจ้าพระยาเพราะใครๆก็รู้ว่านั่นเป็นการฉลองที่มโหราณที่สุดที่เคยประสบพบเห็นมาแต่พรอย ก็ไม่เห็นความเชื่อมโยงหรือว่าเกี่ยวข้องกันพระเพิ่มบอกว่าที่ฉนึกอย่างนั้นก็เพราะจํานวนปีที่ท่านจะฉลองทําไมถึงต้องฉลองร้อยห้าสิบปีครั้งแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวงเคยมีฉลองร้อยปีแต่นั่นก็ขอใจว่าเพราะร้อยปีนั้นจํานวนท่วนท่วนครบก็ควรจะฉลองอยู่แต่เดี๋ยวนี้ทําไมต้องมาแบ่งฉลองตอนร้อยห้าสิบปี ทำไมท่านไม่คอยให้ครบสองอยปีดูคล้ายๆกับท่านเชื่ออะไรอยู่เหมือนกันไม่อย่างนั้นก็มองไม่เห็นว่าทำไมท่านจะต้องฉลองกันตอนนี้ให้สมกับคำคนพูดพอเพิ่มอธิบายความเห็นของตนที่มีต่อการฉลองพระนครนะคะซึ่งพลอยเอง ก, ก็ไม่ได้คิดประเด็นนี้ แต่นี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นของพ่อเพิ่มทีนี้หลังจากที่พลอยพูดกับพ่อเพิ่มคราวนั้นก็ไม่ได้สนใจเรื่องราวต่างๆอีกเพราะว่ามีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกแซงความรู้สึกนะคะนั่นก็คือช่วงนี้ตาอั้นกับภรรยาแหม่มก็คือลูซินเนี่ยมีเรื่องระหองระแหงลูซินบ่นบ่อยครั้งว่าถูกสามีทอดทิ้ง พลอยเองก็เห็นว่าสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยเถียงกันอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็มีการทะเลาะกันด้วยถ้อยคำรุนแรงถึงแม้ว่าพลอยจะฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็พอจะจับอารมณ์ได้ละค่ะว่าทั้งคู่เนี่ยมีเจตนาที่จะพูดจาให้อีกฝ่ายเจ็บช้ำน้าใจแม่อันนี้มันก็เป็นภาษาสากล น, นะคะถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจเนื้อความก็ตาม ที่นีพลอยเนี่ยไม่สามารถจะเข้าไปเกี่ยวข้องได้เพราะว่าทั้งตาอัานและลูซินก็ไม่ได้มาปรึกษาหารือในขณะที่ประไพเนี่ยก็มักจะมาบ่นให้ฟังบอกว่าพี่สไภ้ยชอบเที่ยวเตะกับเพื่อนที่เป็นฝรั่งด้วยกันแล้วก็ชอบแสดงกิริยาดูถูกเหย็ยดยามคนไทยในขณะที่พลอยเนี่ยก็ไม่ได้เข้าข้างลูกชายสัทีเดียวนะคะก็ฟังหูไว้หูและใจหนึ่งก็เห็นใจลูกสะภ้ยที่ถูกละเลย แล้วก็รู้ดีว่าประภัยเนี่ยอคติรักแล้วก็หลงพี่ชายคือพี่ชายทําอะไรก็ถูกไปหมดโดยเฉพาะพี่อัน้นขณะเดียวกันพลอยก็เห็นว่าลูกชายเนี่ยออกจากบ้านบ่อยแล้วก็กลับบ้านดึกดื่นเกือบจะเป็นประจําทีนี้วันหนึ่งพี่ชายคือพ่อเพิ่มเนี่ยก็มาเยี่ยมที่บ้านหลังจากไต่ถาม ท, ทุกสุขกันตามปกติพ่อเพิ่มก็เปิดประเด็นเรื่องนี้อีกนะคะ แม่พร้อยจำเรื่องที่เราคุยกันไว้ขนหนึ่งคราวก่อนได้ไหมคุณหลวงกับฉันคุยกันไว้หลายเรื่องเหลือเกินเรื่องไหนละ่ะอ่ะก็เรื่องคำทำนายอะไรนั่นอย่างไรเล่าอ๋อมีอะไรหรอแม่พร้อยก็รู้ดีว่าฉันคบขนมากมีเพื่อนฝูงสอกแซกไปทั่วทุกหัวระแหงเดี๋ยวนี้เนี่ยฉันได้ยินมาว่า กำลังมีคนเข้าคบคิดกันจะล้มอำนาจพระเจ้าแผ่นดินให้จะไปทำได้ยังไงถึงจะคิดกันสักเท่าไหร่ฉันก็ไม่เชื่อว่าจะทำสำเร็จบุญวัสนาของท่านก็มีคุ้มครองอยู่คนที่เข้าถือน้ำพระพิพัสนสัตยาก็ยังอยู่กันทั้งเมืองใครก็จะตยอมฉันก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันแหละแต่เรื่องอย่างนี้ต่างคนก็ต่างใจ เอกคนอย่างเราเราก็ไม่คิดแต่ใครจะไปรู้ใจใครได้ส่วนจะทำสำเร็จหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งฉันคิดคิดดูแล้วก็ไม่สบายใจไม่รู้ว่าเขาจะมาอีท่าไหนกันแต่ถ้าเขาทำสำเร็จจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ถ้าทำไม่สำเร็จก็ไม่สบายใจอีกใครที่คิดอย่างนี้ถ้ามีจริงก็เป็นโทษกระบฏก็นั่นน่ะสิอา้าว แล้วคุณหลวงทำไมจะต้องพลอยไม่สบายใจกับเขาไปด้วยล่ะฮออพูดยากนี่แม่พลอยหมูนี่พออ่านเขาเป็นยังไงบ้างฉันก็ไม่เห็นเขาเป็นอะไรนี่นามีแต่เรื่องยุ่งๆกับเมียนนิดๆหน่อยๆแต่ฉันก็เห็นว่าเป็นของธรรมดาลิ้นกับฟันก็ต้องกระทบกันอีกหน่อยก็คงเรียบร้อยไปเองเขาไปไหนมาไหนยังไงแม่พลอยรู้บ้างไหม ตาอ่านเขาโตเป็นผู้ใหญ่รับราชการเป็นขุนน้ำขุนนางแล้วนะขุนหลวงฉันไม่มีหน้าที่ที่จะไปคอยถามเขาหรอกเดี๋ยวเขาจะหาว่าฉันยุ่งไม่เข้าเรื่องแม่พร้อยฉันพูดอะไรไปก็อย่าเพิ่งเชื่อแล้วก็อย่าเพิ่งตกอกตกใจละ่ะแต่ฉันได้ยินมาว่าพ่ออัน้นเขมีอะไรแปลกๆอยู่เหมือนกันนะคราวเนี้ย มีอะไรกันฉันไม่เข้าใจดูเหมือนเขาจะรู้รู้กันกับพวกที่คิดการที่ฉันเล่าให้ฟังเมื่อกี้คุณหลวงเอาอะไรมาพูดฉันไม่เชื่อหรอกทำยังไงฉันก็เชื่อไม่ได้ว่าลูกฉันคิดกระบฏมีอย่างเหรอลูกในไส้ของฉันแท้ๆเลี้ยงมาเองแต่อ้อนแต่ออกจะเป็นอย่างนั้นไปได้อย่างไร พลอยร้องเสียงหลงแล้วก็เถียงเสียงแข็งนะคะแต่ใจจริงนั้นตัวร้อนสู้ไปหมดในขณะที่พ่อเพิ่มก็ดูเหมือนจะรู้ใจน้องสาวล่ะค่ะอย่าเพิ่งเอะอะไปไม่พลอยใจเย็นๆไว้ก่อนถึงจะเป็นลูกของเราก็ตามทีแต่เมื่อเขาโตแล้วเขาก็มีจิตมีใจของเขาเอง แม่พลอยเองก็รับอยู่ว่าไม่ได้ไปเที่ยวติดตามคอยดูว่าเขาอยู่ที่ไหนทำอะไรกับใครถ้าคนที่เขามาบอกเขาเอ่ยชื่อลานคนอื่นอย่างพ่อออสหรือพ่ออน้นฉันเองก็คงไม่เชื่อเพราะว่าฉันเองก็รู้นิสัยหลานดีแต่พ่ออ้นเขาเป็นคนรุนแรงมักจะมีความคิดแปลกๆอย่างที่คนเช่นแม่พลอยหรือฉันไม่เข้าใจแต่ก็นั่นแหะนะเรื่องทั้งหมด อาจไม่จริงก็ได้เพราะฉันก็บอกแต่แรกแล้วว่าเป็นเพียงแต่ข่าวลือเท่านั้นเองใจของพลอยนั้นปฏิเสธไม่ยอมเชื่อคำพูดของพ่อเพิ่มแต่เหตุผลของพ่อเพิ่มก็ทำให้พลอยนึกลังเลแล้วก็สงสัยการอบรมที่ได้รับตกทอดกันมาแต่บรรพบุรุษมิรู้จักกี่ร้อยปีไหลทะลักท่วมเข้าสู่หัวใจ การอบรมที่ทําให้เกิดความจงรักภัก ด, ดีการอบรมที่สอนว่าการแตะต้องละลาบละล้วงพระราชอำนาจแม้เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งก็ถือเป็นการคิดคดทรยศต่อเจ้าเป็นคิดกบฏอันควรแก่โทษที่รุนแรงที่สุดถ้าเป็นแต่ก่อนก็ต้องริบราชหมาตตัดหัวเจ็ดชั่วโคตร เป็นการกระทำที่เสื่อมเสียมัวมองไปทั้งวงตระกูลถ้าจะว่าไปตามจริงถึงแม้ว่าพรอยจะได้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตมาแล้วมากก็ตามแต่ในเนื้อหาดั้งเดิมส่วนลึกของหัวใจพรอยพรอยก็ยังเป็นคนโบราณที่ถือว่าน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์ใครที่ประพฤติผิดถ่อยคำที่สาบานไว้แม้ด้วยใจก็อาจประสบภัยอันตรายต่างๆ ไม่มีสิริมงคลอีกต่อไปเหตุการณ์บ้านเมืองในขนาดนั้นจะเป็นอย่างไรพรอยมิได้คำนึงถึงและไม่สนใจที่จะรู้ยึดเอาความเชื่อถือและความจงรักภักดีของตนเป็นประมาณคำพูดของพ่อเพิ่มเกี่ยวกับตาอ้นจึงทำให้พรอยเกิดความวิตกวิจาร์มากมายที่สุดเท่าที่เคยรู้สึกมาในชีวิตพรอยถอนใจ คุณหลวงนี่ฉันจะทำอย่างไรดีใจหนึ่งฉันก็ไม่เชื่อจริงๆว่าอัานจะเป็นไปได้ถึงเพียงนั้นแต่คุณหลวงก็เป็นลุงของอ้านแท้ๆฉันก็ไม่เชื่ออีกว่าคุณหลวงจะมาใส่ร้ายหลานเล่นเฉยๆและที่คุณหลวงพูดถึงนิสัยอ้านก็จริงฉันดูเขาก็มีความคิดไม่เหมือนกับเราๆคุณหลวงช่วยฉันคิดดูบ้างเถิดว่าฉันจะทาอย่างไรดี พอเพิ่มนั่งใช้นิ้วเคาะจังหวะกับกระดานเหมือนกับกำลังตรองอะไรอยู่ครู่หนึ่งนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องยากมากแม่พลอยใจฉันเองก็ไม่อยากจะเชื่อจนบัดนี้ก็ยังไม่เชื่อแต่เมื่อได้ยินมาฉันก็ต้องพูดเพราะฉันเป็นลุงของพ่ออัน้นอย่างที่แม่พลอยว่านั่นแหละเมื่อเรารู้เรื่องกันแล้วเราก็ต้องคิดกันให้ดีด แล้วก็ต้องทําให้ถูกกับเรื่องเพราะเราก็เป็นผู้ใหญ่ด้วยกันแล้วฉันเห็นว่าสิ่งที่แม่พลอยควรจะทําก็ควรจะพูดกับเขาดูแล้วก็ตักเตือนเขาซะในฐานที่แม่พลอยเป็นแม่แต่ถ้าเรื่องมันไม่จริงก็แล้วกันไปแต่ว่าถ้าเขามีอะไรอยู่บ้างจริงป่านนี้ก็คงไม่ถล่มตัวเข้าไปเท่าไหร่นะเมื่อแม่พูดทั้งทีเขาก็อาจจะได้คิด เปลี่ยนความตั้งใจได้ถ้าเขาทำได้อย่างนั้นก็คงเป็นอันหมดเรื่องกันเพราะเพิ่อกกนแนะนําพลอยได้แต่เพียงเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ลากลับบ้านไปทิ้งให้พลอยเนี่ยนั่งตรึกตรองคิดหาหนทางที่จะพูดกับตาอ้นอยู่คนเดียวแต่วันแล้ววันเล่าพลอยก็ก็ไม่สบโอกาสนะคะไม่มีโอกาส ระหว่างนั้นพ่อเพิ่มก็ไปมาหาสู่อยู่เสมอและพ่อเพิ่มเนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นอีกจนกระทั่งวันหนึ่งตาอั้นมาหาตอนบ่ายวันหนึ่งในขณะที่พลอยนั่งอยู่คนเดียวเพื่อปรึกษาเรื่องบางอย่างเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่พลอยมอบให้ดูแลเมื่อพูดธิระเสร็จเรียบร้อยพลอยก็เลยชวนตาอั้นคุยต่อไปอีกแล้วพลอย ก็ถามขึ้นมาลอยๆว่าอันหมูนี้ลูกไปมาหาสู่ทเที่ยวเตร่กับใครบ้างก็พวกเพื่อนๆที่ผมรู้จักเท่านั้นแหละคุณแม่ไม่มีใครอื่นแต่อันตอบอย่างไม่สนใจเท่าไหร่นักนะคะอย่าหาว่าแม่ยุ่งไม่เข้าเรื่องเลยนะอัน แต่แม่อยากรู้ว่าเพื่อนของลูกเป็นใครกันบ้างก็มีคนที่เคยเป็นนักเรียนรุ่นเดียวกันบ้างคนที่คุ้นเคยกันที่เมืองนอกบ้างแล้วก็คนที่มารู้จักกันในนี้ตอนหลังโดยมากก็เป็นข้าราชการรุ่นเดียวกันทั้งนั้นคุณแม่ถามทำไมเปล่าแม่ไม่ว่าอะไรหรอกลูกแต่หมูนี้ แม่ได้ยินข่าวไม่ค่อยดีก็อยากจะเตือนให้อันระวังตัวเวลาคบเพื่อนคบฝูงอย่าให้เขาชักนําไปในทางที่ผิดคุณแม่ก็รู้ดีว่าผมไม่ใช่คนชอบกินเหล้าเที่ยวผู้หญิงทําไมถึงมาเตือนเอาเดี๋ยวนี้หรือว่ามีใครมายุแต่อันพูดอย่างน้อยใจอันอย่าเพิ่งด่วนคิดมากไปแม่ไม่ได้หมายความว่า อั้นไปเที่ยวสัมะเเทเมาแม่รู้ดีว่าลูกของแม่ไม่มีอบายมุขแต่เดี๋ยวนี้คนเขาลือกันว่ามีคนคิดการใหญ่เกี่ยวกับแผ่นดินแผนทรายแม่ก็เป็นห่วงเห็นอั้นรู้จักคนมากก็อยากจะขอว่าถ้ามีใครเข้ามาชักชวนขอให้อั้นคิดถึงแม่ถึงคุณพ่อถึงวงตระกูลของเรา เราไม่เคยคิดคดทรยศต่ตอผู้มีพระคุณเจ้าหนายทั้งทรงพระเมตตาเลี้ยงพวกเรามาได้หลายชั่วคนอั้นก็คงรู้ข้างแม่ก็รับราชการตกทอดตลอดกันมาไม่เคยมีด่างพร้อยจนตัวแม่เองที่เป็นตัวมาก็เพราะท่านส่วนฝ่ายคุณพ่อทตั้งแต่ท่านกงงต้นตระกูลที่ลงเรือสำเภามาจากเมืองจีน ก็ได้พึ่งท่านเป็นร่มโพร่มใยท่านได้ชุบเลี้ยงตั้งเป็นพระน้ำพระยาได้สืบวงศ์ตระกูลกันลงมาจนกระทั่งถึงอัน้นแม่อยากจะขอให้อัน้นคิดดูให้ดีๆ แล้วพลอยนึกเอาไว้ว่าจะพูดต่อไปอีกมากนะคะเพราะว่าได้เตรียมถ้อยคำแล้วก็เหตุผลในใจเอาไว้ยืดยาวแต่ตาอ้านก็ชิมหัวเราะแล้วก็บอกว่านี่คุณแม่กลัวมผมจะคิดกบฏแล้วครับเปล่าไม่ใช่ลูกพลอยตอบตะกุกตะกักตาอัานลุกจากที่นั่งมาคุกเข่าอยู่ตรงหน้าพลอย ครั้งนี้อาจจะเรียกได้ ว, ว่าเป็นครั้งแรกนะคะในระยะเวลายาวนานที่ตะอั้นแสดงกิริยาน่ารักน่าเอ็นดูเป็นกันเองกับพลอยตะอั้นแงหน้าขึ้นมองพลอยอย่างพินิจพิเคราะห์เหมือนกับจะอ่านความรู้สึกที่แท้จริงความรู้สึกที่แท้จริงของพลอยในการมาชวนตะอั้นคุยในตอนนี้นะคะแล้วตะอั้นก็ถามว่าทาไมพลอยถึงคิดอย่างนั้น แม่เองก็ไม่รู้ได้ยินแต่คนเขาพูดซุบซิบกันแม่เห็นอั้นคบเพื่อนฝูงมากแม่ก็อยากจะเตือนเอาไว้เท่านั้นเองแต่อั้นยังคงคุกเข่าอยู่ตรงหน้าพลอยสายตายังจับอยู่ที่ใบหน้าของพลอยผมรู้ดีว่าคุณแม่รักลูกและที่คุณแม่พูดมาก็ด้วยความเป็นห่วงผมก็ไม่รู้ว่าจะบอกอย่างไรให้คุณแม่คลายใจ เถือกเท้าเหล่ากอของพวกเราเป็นมาอย่างไรคุณแม่ก็ได้พูดเอาไว้เองแล้วเท่านั้นก็พอจะเป็นประกันได้ว่าเวลาผมจะทำอะไรผมก็ต้องมีสติมีความยั้งคิดไม่ยอมให้ใครมาชักชวนไปในทางที่ผิดได้ง่ายๆอีกอย่างผมก็เป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่เด็กๆที่จะได้บู้วางไปตามอารมณ์แม่รู้ ถ้าจะพูดถึงความประพฤติและการไว้ตัวแม่ก็พอใจอั้นทุกอย่างชั่วแต่แม่เคยได้ยินอั้นพูดถึงเรื่องบ้านเมืองอยู่บ่อยๆก็เลยวิตกไปเองเรื่องความรักชาติบ้านเมืองนั้นผมก็มีอยู่มากผมจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวและคิดถึงพระคุณท่านอยู่เสมอไม่เคยเสื่อมคลายเอาอย่างนี้ก็ละกันแต่อั้นหยุดพูดครู่หนึ่ง เหมือนกับนึกอะไรออกก่อนที่จะพูดอะไรต่อไปแต่อันก้มลงกราบลงบนตักของพลอยครั้งหนึ่งแล้วก็พูดช้าๆว่าผมขอสาบานไว้ต่อหน้าคุณแม่ผู้ซึ่งผมรักและเคารพยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดว่าผมจะไม่เป็นกระหมดไม่คิดคดทรยศทำอันตรายต่อพระเจ้าอยู่หัวหรือพระราชวงศ์เลย ถ้าผมไม่ถือตามคำสาบานนี้ขอให้พรอยรีบยกมือปิดปากแต่อั้นเอาไว้ก่อนที่จะกล่าวคำสาปแช่งตัวเองอยา่าไม่ต้องหอกอั้นแม่เชื่อแล้วอั้นไม่ต้องสาบานแต่อั้นก้มลงกราบพรอยอีกครั้งหนึ่งผมยังพูดไม่จบผมอยากจะบำเพ็ญชีวิตของผมให้เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองเพราะฉะนั้น ถ้ตราบใดที่ผมยังซื่อสัตย์สุจริตต่อบ้านเมืองปรารถนาจะทำประโยชน์นำความเจริญมาให้แก่บ้านเมืองผมก็ขอพอรจากคุณแม่ขอให้ผมมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จตามความปรารถนาพลอยยกมือลูบผมตาอันแม่วอวยพรให้ลูกขอให้เป็นไปตามนั้นเถิดตาอันรวบมือของพลอยไปกำไว้ เอาหน้าซพลงกับมือของพลอยทีนึงแล้วลุกขึ้นยืนหันหลังเดินเบาๆออกจากห้องไปแล้วก็ไม่พูดจาว่าอะไรอีกเมื่อได้พูดกับตาอั้นแล้วพลอยก็โล่งใจขึ้นบ้างเพราะว่าได้พูดในสิ่งที่ตั้งใจจะพูดไปแล้วแต่คําตอบของตาอั้นนั้นไม่ได้ทําให้พลอยสบายใจขึ้นกว่าเดิมสักเท่าไหร่เพราะคําพูดของตาอั้นดูมีความหมายลึกซึ้งเกินกว่าที่พลอยจะเข้าใจได้ ถึงแต่อั้นจะปฏิเสธข่าวลือที่พรอยได้ยินมาจากพ่อเพิ่มแต่ตาอั้นก็มีได้ปฏิเสธแข็งแรงเยี่ยงคนบริสุทธิ์พลอยนึกไปว่าถ้าตาอ้นถูกกล่าวหาเช่นนั้นตาอ้นก็คงจะปฏิเสธทันทีและก็คงจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟและถ้าเป็นตาออสตาอดก็คงจะหัวเราะ ง, งอหายเห็นเป็นเรื่องสนุกพอดีพอร้ายก็จะรับสมอ้างว่าเป็นเรื่องจริงทำให้ผู้ที่กล่าวหาต้องกระอักกระอ่วนใจ พลอยแน่ใจว่าทั้งตาอ้อนและตาออสต้องทําอย่างที่พลอยนึกแต่ตาอั้นกลับมีทางออกไปอีกทางหนึ่งที่ไม่ตรงกับของใครเลยพลอยรู้ดีว่าตาอั้นเป็นคนฉุนเฉียวถ้าถูกหาความในเรื่องที่ไม่เป็นจริงตาอั้นก็คงจะตีโพยตีภายแล้วก็โกรธเอามากๆพลอยเคยเห็นตาอั้นเป็นเช่นนี้มาแต่เด็กๆฉะนั้นการที่ตาอั้นตอบคําถามของพลอยด้วยอารมณ์เยือกเย็นไม่ยินดียินร้ายทําให้พลอยอัศจรรย์ใจอยู่ครันครัน และคำตอบของตาอั้นก็มิได้ทำให้พลอยวางใจได้สนิทหนักจากนั้นอีกหลายวันพ่อเพิ่มก็มาหาพลอยที่บ้านพลอยพูดว่าคุณหลวงเรื่องที่คุณหลวงบอกฉันพูดกับอั้นเขาแล้วละ่ะเขาบอกว่าไม่เคยเกี่ยวข้องกับใครทางนั้นจริงๆเขาถึงกับสะบทสบานให้ฉันฟัง พอ เ, เพิ่มฟังแล้วก็บอกว่าโล่งใจแล้วก็บอกว่าเมื่อเขาไม่เกี่ยวข้องก็ดีไปแต่เรื่องที่ฉันได้ยินมาเล่าให้แม่พลอยฟังนั้นฉันเชื่อว่ามีจริงๆเสียแล้วเพราะคนที่เขาบอกมาเป็นคนที่ฉันเชื่อได้ไม่เคยโกหกฉันเลยพลอยก็ตกใจนะคะตายจริงแล้วนี่ ไม่มีใครคิดระงับเรื่องกันบ้างเลยเหรอหรือว่าไม่มีใครรู้พอเพิ่มบอกว่าเรื่องนี้คนรู้น้อยจริงๆฉันเองถ้าไม่ใช่แมปพลอยฉันก็คงจะไม่บอกเพราะว่าไม่ใช่เรื่องของเราพูดไปเขาก็อาจจะหาว่าฉันบ้าก็ได้แต่ฉันสงสัยว่าเรื่องน่าจะรู้ถึงผู้ใหญ่บ้างแล้วเหมือนกันพลอยก็ถามว่าแล้วทาไมผู้ใหญ่ถึงไม่ทาอะไร หรือว่าจะปล่อยให้เป็นไปตามคำทำนายพ่ะเพิ่มบอกว่าไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เห็นดูเฉยเยกันอยู่บางทีท่านจะเชื่อบุญเชื่อวาสนาของท่านกระมังเวลานี้ไม่ว่าจะไปทางไหนก็เห็นตะคนติดแนบติดเหรียนพระนามเจ้านายกันออกเต็มไปไม่ของพระองค์โน้นก็ของพระองค์นี้บางคนติดเสียเต็มหน้าอกมีสายระยงระยางราวกับร้านตู้ทอง ฉันสงสัยว่าเจ้านายท่านก็คงจะพลอยเชื่อแหนบของท่านเองไปด้วยว่กใครที่ติดแนบของท่านก็เป็นมหาดเล็กไว้วางพระไทยไม่มีจะคิดทำอันตรายท่านได้เลยอย่างไรละ่ะใจคนเรานั้นเชื่อยากฉันเองก็ได้เห็นมาแล้วหนักต่อหนักเวลาใครมีบุญมีวาสนาก็เข้าประจบประแจงถวายเนื้อถวายตัวกันให้วุ่นไป พอหมดบุญลงเมื่อไรก็ไม่มีใครจะเหลียวแลเรื่องอย่างนี้มีอยู่เสมอจใจฉันจใจฉันจะเป็นอย่างไรฉันก็ไม่รู้สิคุณหลวงแต่ถ้าจะให้ฉันพูดจริงๆฉันก็ต้องบอกว่าฉันไม่เชื่อเรื่องที่คุณหลวงเอามาพูดเหมือนกัน คือพลอยกับพ่อเพิ่มเนี่ยก็จัดได้ว่าไม่ใช่ชาวบ้านทั่วไปนะคะพ่อเพิ่มเองก็มีพวกมีพ้องประมาณว่ามีสายข่าวในการที่จะรู้เรื่องวงในมาพอสมควรก็มาคุยกันตามประสาที่น้องพลอยเองฟังแล้วก็วิตกกงังวลแม้ว่าใจหนึ่งไม่อยากจะเชื่อแต่ใจหนึ่งก็กงังวลพ่อเพิ่มเองก็เหมือนกัน พอเพิ่มเองก็ไม่อยากจะเชื่อแล้วก็มีความหวังว่าบางทีเรื่องที่ลือๆกันอยู่เนี่ยก็อาจจะเงียบหายไปเฉยๆเหมือนกับเรื่องอื่นๆคือต่างคนต่างคาดหวังว่าขอให้มันเป็นเพียงแค่ข่าวลืออย่าให้เป็นเรื่องจริงเลยหลังจากนั้นพลอยก็ไม่ได้สนใจกับเรื่องราวนี้ต่อไปประกอบกับมีการตระเตรียมงานฉลองพระนครและงานก็ใกล้เข้ามาทุกที งานนี้ประภัยดูเหมือนว่าจะตื่นเต้นมากที่สุดประภัยลงมือเย็บเสื้อเอาไว้หลายชุดเพื่อใส่เที่ยวงานแล้วก็มีนัดกับเพื่อนฝูงว่าจะต้องออกเที่ยวงานทุกวันจนกว่าจะเสร็จก็ตื่นเต้นสนุกสนานตามภาษาคนหนุ่มคนสาวนะคะพรอยิ่งดูประภัยก็รู้สึกตัวว่าเข้าใจลูกสาวคนเดียวน้อยลงทุกที เดีนี้ประไพเริ่มสนใจเพื่อนผู้ชายและก็สนใจจนออกนอกหน้าถึงแม้ว่าประไพจะมิได้ประพฤติตนให้เสียหายและถึงแม้ประไพจะได้มีโอกาสได้พบปะกับผู้ชายหนุ่มๆที่เป็นพี่น้องของเพื่อนฝูงตามบ้านของคนเหล่านั้นแต่ประไพก็มิได้เคยสนิทสนมกับใครถึงกับไปมาหาสู่กันถึงบ้านแต่ว่าบางครั้งวิธีที่ประไพจะพูดถึงเพื่อนฝูงที่เป็นผู้ชายทําให้พลอยเนี่ย ต้องเลิกคิ้วมองลูกสาวอย่างโฉงงนเพราะว่าประภัยจะไม่พูดถึงผู้ชายในฐานะเพื่อนฝูงหรือว่าคนรู้จักอีกต่อไปคือพูดถึงผู้ชายทีไรก็จะพูดไปในแง่การพิจารณาเลือกเฟนนะคะในตำหนองว่าคนนั้นคนนี้มีคุณสมบัติดีไม่ดียังไงพอที่จะแต่งงานด้วยได้หรือไม่คือไม่ว่าจะพูดถึงผู้ชายคนไหนประภัยก็จะต้องพูดถึงในแง่นั้นทุกครั้ง ผู้ชายคนไหนมีเมียแล้วประภัยก็จะไม่พูดถึงเลยนะคะนอกจากจะมีเรื่องที่ต้องเกี่ยวข้องกันจริงๆคือพูดถึงผู้ชายในแง่ของการเลือกคู่ตลอดนะคะซึ่งพลอยก็รู้สึกว่าช่างแตกต่างกับตอนที่พลอยเป็นสาวเหลือเกินพลอยเคยเตือนประภัยให้ระวังวาจาแต่ประภัยก็มักจะหัวเราะแล้วก็บอกว่าใจจริงยังไม่เคยนึกจะแต่งงานจริงๆทั้งหมดที่พลอยได้ยินเนี่ยเป็นเพียงวิธีพูด คือไม่ได้หมายความว่าประภัยจะต้องไปแต่งงานกับใครจริงๆต่างที่พูดในที่สุดค่ะงานฉลองพระนคร อ, อย่างโมโหรานก็มาถึงงานฉลอง150ปีของกลุ่มรัตนโกสินทร์นะคะก็มีการตามประทีปโคมไฟแล้วก็งานฉลองต่างๆ ซึ่งส่วนมากพลอยก็ได้ยินจากปากคำบอกเล่าเพราะว่าพลอยเองนั้นไม่มีแก่ใจที่จะออกไปเที่ยวเตะเหมือนเมื่อครั้งยังเป็นสาวตะอ๊อชวนพลอยขึ้นรถแล่นผ่านไปทางบริเวณที่มีงานครั้งหนึ่งแต่เมื่อไปเจอคนซึ่งเดินทางมาเที่ยวกันอย่างมืดฟ้ามัวดินพลอยก็เวียนหัวจนแทบจะเป็นลมแล้วก็ไม่กล้าลงจากรถในที่สุดก็ต้องกลับบ้านแล้วก็ปล่อยให้ลูกๆและก็คนในบ้านเนี่ยไปเที่ยวงาน ในขณะที่ช้อยแล้วก็พ่อเพิ่มนะค ะ, ะสองคนนี้ไปเที่ยวนะคะแล้วก็มาเล่าให้พลอยฟังว่างานสนุกอย่างไรบ้างช้อยมาเล่าถึงขบวนแห่ในวันเปิดสะพานซึ่งช้อยออกไปดูด้วยตนเองพลอยก็ประลบขึ้นว่าช้อยนี่เก่งสาหัสอายุจนป่านนี้ยังกระเยอะกระแย่งไปดูแห่กับเขาจนได้ พลยก็บอกว่าแม่ก็รีบดูดูซะก่อนที่มันจะตายสนุกออกนะพลอยฉันไม่กล้าไปคนมากมายเหลือเกินไม่รู้จะไปเบียดคนอย่างไรไหวแก่แล้วเบียดคนจะเป็นไรไปถ้ายังสาวๆอีกฉันว่าจะน่ากลัวอยู่อย่างฉันเนี่ยออกไปเดินเที่ยวเด็กหนุ่มๆ ม, มันเห็นกลับก็หลีกทางให้ซะอีกเพราะเราเป็นยายแก่ก็เลยเที่ยวได้สบาย งานฉลองพระนครสิ้นสุดลงและอายุพระนครก็ได้ผ่านมาครบร้อยห้าสิบปีบริบูรณ์โดยที่ไม่ได้มีเหตุการณ์อันใดเกิดขึ้นตามคำทำนายที่เล่าลือแล้วก็โจ์จันกันมาอย่างที่พลอยได้ยินซึ่งทุกคนรวมทั้งพลอยก็ได้พากันลืมเรื่องนี้อย่างสนิท